พอาจรารย์ครับการนมัสการครับโยลานพรคุณหมอท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยี่สิบสามครับอาจารย์ครับก่อนเข้ารายการผมข อ, อกาสถามอาจารย์เมื่อเช้ามีคนใส่บาตรเยอะไหมครับพระอาจารย์สามร้อยแปดสิบสามสามแปดสิบว่อเช้ามีฝนไหมครับอาจารย์ครับ ตอนมินิบายไม่มีผลตกเลยไม่มีนะครับเมื่อตกตอนบ่าย <S <S ตอก่อนจะแสดงธรรมตอนสองโมงเราคอยปลอยอยู่ภาพหนึ่อพอเริ่มแสดงธรรมก็หยุดพอดีโอพอดีเลยยัดโยมไม่เปียกครับ <S 2> <S 2> <S อาจารย์ครับวันนี้ขอโอกาสตั้งชื่อหัวข้อขสนทนาเรื่องที่พึ่งอันประเสริฐครับกับขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยครับ ที่เพิ่งก็คือที่ประเสริฐที่สุดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเป็นที่เพิ่มอย่างเดียวที่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ความทุกข์เช่นความกลัวกลัวตายกลัวเจ็บกลัวอะไรต่างๆความวิตกความกังวลความหมองใยความเศร้าโศกเสียใจ โลกแบบนี้โลกทุกใจแบบนี้แม้แต่ประเทศที่เจริญเป็นระดับนําของโลกก็ยังยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้มีคนเป็นโรคจิตยิ่งกับมีโรคจิตเป็นคนมีโรคจิตมากขึ้นกว่าโลกที่ด้พัฒนาเองเพราะเขาไปพัฒนาทางด้านวัตถุจนลืมว่าดั่งจิตใจนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องขานพัฒนา แต่เขาไม่เน้นเขาไม่ชอบพัฒนาจิตใจเพราะการจะพัฒนาจิตใจต้องใช้ศาสนาศาสนามันไปขัดกับกิเลสกิเลสอยากจะแสวงหาความสุขต่างๆจากลาบยศสารเสริอยากลกเสียงกิ่นลดผลธพาเขาก็เลยไม่นสนใจกับศาสนาแต่เดี๋ยวนี้ก็มีบางกลุ่มบางพวก่าเป็นความสำคัญของศาสนา ที่ได้ศึกษาวิธีภาวนาของทางพุทธศาสนาว่าสามารถช่วยบําบัดความเที่ยงต่างได้เขาก็เลยหันมาสนใจกับการฝึกภาวนาแต่เขาเพ่งเอาแต่อย่างเดียวเขากำลังการภาวนาเขาไม่เอาส่วนประกอบส่วนอื่นมาด้วยที่เป็นส่วนที่จะช่วยพัฒนาให้มันขอ ง, อ ย, งอยั่งยืนและปลอดภัยคือศีลนี่นะ แล้วก็ทานก็ เ, เข้ามุ่งเน้นไปแต่การภาวนานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวมันก็ยังที่ว่าคงยังไม่ได้ประโยชน์มากนักเท่าไหร่มันต้องมีทั้งศีลด้วยมีทั้งทานด้วยมันถึงทำให้การภาวนานี้มันสมบุรณ์คนภาว น, นาต้องมีความเมตตากรุณาต้องระเฟ้อเผ า, เ า, เาแผ่ศีลสละได้ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น แต่นั่งสมาธิเพื่อทำให้ใจเข้มแข็งแล้วไปเบียดเบียนผู้อื่นนี่มันก็มันก็ไป็มิจฉาสมาธิไปแทนที่จะดับความเครียดก็ไม่ก็ไปสร้างความเครียดสร้างความทุกข์เองคามความเครียดมันเกิดจากหลายอย่างด้วยกันการทําบาปการเบียดเบียนผ้วืแล้วทําให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้ความตนีนที่เดนียวความโงหงหารทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองขอ ง, อ ง, อของตน ก็ทําให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้ทีนี้เรากลับมาที่พระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสโลวิธีดับความเครียดต่างๆนี้ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถดับความเครียดได้อย่างถาวรก่อนที่พทะเจ้าจะส่งตัดสโลก็มีพุทธมัทยบวชตามวัตถิต่างๆรู้จักวิธีดับความเครียดด้วยการเข้าสมาธิ เทาชาญทาได้แต่เวลาออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มมาสัมผัสรับนู้กับรูปเสียงกลิ่นรสผลสะะ ร, บรับนู้กับเรื่องร่างกายเวทนาอารมณ์ต่างๆใจ ก, ก็เกิดความเครียดขึ้นมาได้ยังไม่รู้จักวิธียันดับความเครียดยังไงเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิหลวพ่อพระเจ้าก็ไปศึกษากับ พระอาจารย์ดังๆทังง้งหลายก็ไม่สามารถที่จะสอนวิธีดับความเครียดจากเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิได้องเลยต้องไปท ด, ทดสอบทดลองผิดลองถูกดูโดยในที่สุดก็สองคนพบอริยสัจสี่ ส, ส, ส, สูตรสูตรที่จะมาแก้ปัญหาความเครียดความเครียดคือความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่วความเจ็บความตาย เกิดจากการสูญเสียเกิดจากการพัดผ่านจากสิ่ ง, งต่างๆไปด้วยเกิดจากการที่ยังต้องไปพบกับสิ่งที่ไม่ไม่ปรารถนาด้วยเกิดจากตัณหาความอยากของใจเองใจอยากมีความสุขผ่านทางร่างกายต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราร่างกายจะมีปัญหาขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่าง ก, า ย, ย า, ก, า, งกายตาย ก็กายเกิดความเครียดกับความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าไม่อยากจะเครียดไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายยังงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามไม่ได้แล้ววิธีที่จะไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของร่างกายก็คือเปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่อย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขผ่านทางสมาธิการจะใช้สติใช้ปัญญา มันต่อยาอาศัยส ต, สติสร้างสมาธิขึ้นมาอาศัยความสงบจากสมาธิก่อนเพื่อปล่อยวางความสุขทางร่างกายไม่ทุกข์กับร่างกายได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วค่อยมาปล่อยความสุขที่ได้จากสมาธิเพาะความสุกสมาธิก็เป็นเครื่องมือแล้วก็มันเป็นเสียงที่มันก็ยังไม่เทียงมันจะเินได้จะเสื่อมได้เช่นเวลาออกจากสมาธิมา ความเครียดก็ที่หายไปก็กลับคืนมาใหม่วิธีที่ปล่อยความเครียดก็คือต้องไม่ยึดไม่ติดกับแม้แต่สมาธิก็ไม่ยึดไม่ติดด้วยให้หยุดความอยากใช้สมาธิเป็นเป็นเครื่องมือหาความสุขตัดความอยากทั้งหมดที่มีอลงลึกอยู่ในใจตอนต้องก็ตัดการมาตัญหาความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดได้ก็ามาติดกับความ ความอยากจะเสพรูปประชารือรู ป, ปรชาติก็ต้องตัดมันมันถึงจะทาให้ความเครียดต่างๆความทุกข์ต่างๆหายไปหมดอย่างอย่างเส้นเชิง ừ. ก็เลยต้องละความอยากในรู ป, ปรชาติความอยากในรู ป, ปรชาติคือมีความอยากแบบไหนก็ไลห่หมดให้อยู่กับความว่างให้ได้พอใจไม่มีความอยาก ความเครียดต่างๆก็หายไปหมดใจก็ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขเพราะความสุขเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินังจากไม่มีความเครียดลงเลือยู่ในใจแล้วใจก็จะสมบสุขไปตลอดเวลาเป็นภาณิพา น, านชเชื่อเลยภาณิพานไปใ จ, จใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหานตาละต้นเหตุของความเครียดได้คือการภาวนาภาวามีภาวหา ควาอยากจะเสกการความอยากจะเสกมนุษยชาตความอยากจะเสกวรูปประชาติก็เลยแก้ปัญหาเรื่องของความเครียดได้อย่างทาวน์เพียงแต่คอยถ้ามีความอยากก็ต้องคอยระงับมันท่านเอเพราะเวลาที่เกิดความอยากในเมื่อใจก็จะเครียดขึ้นมาทันทีนี่แหะคือความสามารถของพระเจ้าที่ไม่มีใครในเรื่องนี้ สามารถที่จะเข้าถึงอริยสัจสีได้ต้องเป็นคนบารมีสะสมมาอย่างโชคชนวปัญญาบารมีอ่าบารมีต่างต่างตั้งแต่ตั้งแต่เมตตาบารมีทานบารมีซศรษบารมีเนื่องมองบารมีอุเบกขาบารมีและวความขั้นสุดท้ายกบปัญญาบารมีด้วยการสนับสนุนของอัตถุทานบารมี วิริยะบาลามีศักดิบารมีละขันติบาลมีต้องบินบาลมีครบสิบยังสา ม, า, ม า, รารถมาเจริญบาลามีข้อสุดท้ายได้ก็คือปัญญาขั้นตอนต้อ ง, องจจเจริญทานบาลมีก่อนแล้วมาเจริญศีลบาลามีแล้วก็จเจริญได้ธรรมบาม ล, นนลบามีก็คือการการละการเสียรูปเสียงกลิ่นรส การมาสร้างบุญาบารมีด้วยการเข้าสมาธิหลังจากนั้นก็มาเจริญปัญญาให้ในอริยสัจสีก็สา ม, มารถที่จะกำจัดความเครียดต่างๆความทุกข์ต่าง ๆ, ๆ, ๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้หลังจากนั้นพระพจ้าก็ทรงมามาเอยแผ่ i, สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่มีความสามารถที่จะ <c oughs> เข้าถึงได้กับพวกนักบวชต่างๆตอนต้นก็คิดถึงอาจารย์สองรที่การศึกษาก็ได้ข่าวว่าท่านจากไปแล้วอง์หนึ่งจากไปเจ็ดวันที่แล้วอีกองเพิ่งจากไปเมื่อวานพิ่งจากไปวันนี้ก็เลยคิดถึงพระปัญจวัคคีก็ไปแสดงทามบวชที่ปัญจวัคคีแสดงประมาณสักสี่ห้าครั้งก็บรรลุเป็นผ้าหลานทั้งหวชเลย หลุดพ้นจากความเครียดความทุกเหมือนกับที่วุฒิชาติได้หลุดพ้นหลังจากนั้นก็ให้ภระสาลกนี้ไปช่วยเผยแผ่สั่งสอนธรรมะไปคนละทั่วทุกสาวาิตไปคนละทิศคนละทางเนี้ยไม่ให้ไปด้วยกันไม่ให้กระจุกตัวต้องไปพระพุทธเจ้าก็ไปบวชพวกนั่งบวชต่างๆตามฐานัะต่างๆจนในบรรลุมเป็นพระหลังขึ้นมาเป็นจํานวนมาก ในเจ็ดเดือนน้านีน้มีผ้าลานหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปที่ที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงให้ไปเผยแผ่ทำตามทิศต่างๆพะวันเป็นเดือนสามก็มีความ ร, รู้สึกอยากจะมาเฝ้าพระเจ้าเดยไม่ได้นัดหมายกันก่อน ก็มีว่าอาลายหนึ่งพันสอง้ยหสิบลูกมาเผาพระเจ้าในวันเพ็ญเดือนสามวันมาคาบูชานี่แหละคือผู้ที่สิ้นกิเลสผู้ที่สิ้นความเครียดสิ้นความทุกข์ต่างๆแล้วทั้งก็เป็นที่พึ่งของพวกที่ยังมีกิเลสพวกที่ยังมีความเครียดอยู่ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความเครียดความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าหาพระธรรมคําสอนหรืหาพระอริยสงสาวข พระุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์พระรัตนาตายเลยเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาในการที่จะเผยแร่ธรรมันประเสริฐคืออนยญาตสัสี่ให้แก่สัตว์โลกนำอาอไปปฏิบัติให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีในใจไม่มีอ่างอื่นในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ได้ดับได้ก็ชดเดียวปดาว เช่นเวลาเราได้เงินทองมาได้ลาบมาเราก็ดีอู่ดีใจมีความสุขความทุกข์ความเครียดหายไปชั่วคราวแต่พอเงินทองที่หามาได้มันหมดไปหรือไม่พอใช้ขึ้นมาเมื่อไหร่ความเครียดจะกลับมาใหม่ <c oughs> <c oughs> เช่นเดียวกับยศสรรเสริญสุขทางตาจะบอกนืนก่นการนั่นเป็นของชั่วคราวนั้นเวลามีก็ดีเวลาไม่มีก็ทุกข์เศร้าเป็นแบบ ยังใช้วิธีเหล่านี้ดับความความทุกอย่างอย่างถาวรไม่ได้ดัแบบได้เป็นชั่วครั้ชั่ควคราวก็เลยต้องต้องต้องคอยดินนอนถามันอยู่เรื่อยพอมันบัดก็ต้องหามาเพิ่มอตำแหน่งบาดก็ต้องหาตำแหน่งใหม่ขึ้นมาฉันรับเสริญก็รางวัลต่างๆเหรียญทองหรืยอะไรต่างๆก็คอยต้องคอยหามาภาพอยู่เรื่อยจะมีมีความสุข ความทรจากรูปเสียงกลิ่นแล้วก็ต้องคอยหามาเสกอยู่เรื่อยๆแต่มันต้องมาเจอวันที่ยามมมีปัญหาเมื่อล่างกายเราแก่ราเจ็บไายได้ป่วยหรือจะตายนี้มันไม่สามารถทำหน้าที่เหล่านี้ได้ความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาทวีคูณช่วงเวลาแก่เจ็บตายนี้อง <c oughs> ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์่าปฏิบัติตามแนวทางที่พระเจ้าทร ง, ง, งสอนให้ปฏิบัติ เราสามารถมีศีลสมาธิปัญญาที่สามารถเอามาใช้ในการละตันหาความอยากต่างๆที่มีใน ใ, นใจได้ใจจะไม่เครียดไม่ทุกข์กับการที่ไม่มีอะไรอยู่กับร่างกายไม่สามารถจะหาความสุขทางตาหูจมูกนิจใจได้ก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจมีความมีความสามารถที่จะอยู่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรอ ย, อยู่ด้วยความสงบ ด้วยการละตันหาความอยากต่างๆนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ประเสริฐทีส่สุดครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับอ่อผมไม่ได้กล่าวล่วงศาสนาอื่นนะครับแต่อย่างของศาสนาอื่นเนี่ยเขามีอ่อพระเจ้าหรือมีความเชื่อของเขาเนี่ยอันนี้ก็พอจะทําให้เขาเป็นคนดีได้อใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ก็ได้แต่เขาก็ยังต้องทุกข์อยู่กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่นั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าศาสนาส่วนใหญ่จะสอนระดับศีล ร, ระดับทานระดับศีลแล้วก็ระดับสมาธิเช่นการร้องเพลงสรรเสริญพร ะ, ะเจ้านี่ก็เป็นเหมือนกับการสวดมนต์เนี่ยเวเ ข, าข้าโูสถ์เราก็ไปสวดกันส่วดมนต์ก็เหมือนการสวดสรรเสริญก็เหมือนกับการสวดมนต์ของเรานะรัะ ซึ่งศาสนาพุทธ ส, ส่วนใหญ่ก็เป็นคล้ายๆกันไอ้ระดับวิปัสสนานี่ยระดับที่ภาวนาจิตจิตอย่างนี้อในศาสนา ก, ก็มีเฉพาะพวกนักบวชเท่านั้นเองนักบวชบางบางพวกด้วยมีใช่นักบวชทั้งหมดอันนี้นักบวชส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ภาวนากันะมีแต่ศึกษาปริยัติธรรมออแต่ไม่ได้ไปภาวนาไม่ได้มีสายวัดป่านี่นั้นนะที่มีการภาวนา แบบเอาจริงเอาจางนะครับ <Yeah. S 1> ดังนั้นก็ไม่ต่างจากศาสนาอื่นนะถึงแม้มี <Yeah. S 1> มีอริยสัจอันประเสริฐแต่ก็ไม่มีใครปฏิบัติเข้าถึงกันมีมีส่วนน้อยที่สามารถปฏิบัติเข้าถึงอริยสัจได้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกพระพระป่าพระวัดป่าครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราได้ข่าวว่าท่านบรรลุเป็นพาาระอรหันต์กระดูกท่านเป็นพระทาตก็เป็นพระป่าตัวนึง ภาพที่เป็นภาพบ้านภาพเมือง ท, ที่ที่มีประเรณต่างๆนี่ไม่มีข่าวว่ากระดูกมันตาย ไ, ไปแล้วการเร็นพระธาตุพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกเรื่องเกี่ยวกับสมาธิอะครับว่าคนที่มีสมาธินี่อาจจะยังเอไม่ได้ทําทานไม่ได้รักษาศีลก็ก็มีอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ยังไปทําสมาธิแบบบาๆได้อยู่ใช่ไหมครับก็ได้ก็ทําสมาธิเวลาทําสมาธิก็ทาสมาธิ รนี้เวลาอยากกินเหล้ากินเหล้าะเวลาอยากแลจะข้โมยก็ข้โมยได้เพราะไม่มีศีล ม, ม, มาคอยควบคุมห้ามปากปคราใจก็ไม่ค่อยใจยก็ไม่่อยเอือเฟื้อเผื่อแผเท่าไหร่เพราะไม่ได้ทําไม่ได้ทําฐา น, นเก็บเงินเก็บทองไว้ใช้กับตนเอง อย่าพวกต่างชาติที่มา อ, อยู่วัด ไ, ไม่เคยไม่ทําบุญทํำทานกันเลยมาภาวนาอย่างเดียว mm hmm. แต่มันรักษาศิ้นแปดบางสิ้นแปดที่ถูกบังคับไม่รักษาต้องรักษาถ้าไม่รักษาสิน้นแปดก็อยู่ไม่ได้อ mm hmm. แล้วภาวนา mm hmm. แต่เขา่าเขาว่าสมมุติว่าเขาเป็นนักบวชเขาก็เลยไปอาศัยพระบิณฑบาตกับพระแล้ว ก, กินอาหารของพระที่ได้จากบิณฑบาต ก็ไม่ทำทานใส่บะเนี่ยครับผมครับผมกับกับพระคุณพระอาจารย์ครับวันนี้รู้สึกมีคำถามเข้ามามากพอสมควรเดี๋ยวผมขอโอกาสถามคำถามพระอาจารย์นะครับคุณแว่นครับขอความไม่ตาแนะวิธีปฏิบัติในการละสังโยศสามครับต้องทำอย่างไรครับก <s> ็ต้องมีศีลก่อนนะต้องต้องตายขึ้นจากชั้นต่ำขึ้นไปก่อน รักษาสีหน้าอย่างสีห้าสีแปดเนี่ยเรานั่งสมาธิทําใจรวมให้เป็นฌานได้ในอย่างก่อนที่เราจะไปลับสัมยุต์ด้ปัญญาไนดะ้เราต้องสามารถทําจิตให้สบงบรวมให้เป็นฌานให้ได้ก่อนเพื่อที่เราจะได้มีกําลังสู้กับความอยากต่างๆถ้าเรามีฌานแะล้วเราก็จะเรีนปัญญาเราก็จะเห็นว่าตัวที่สร้างความเครียดให้กับใจเราก็คือความอยาก อยากกับอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าพระเป็นพระโสนาบันในพระสนาบันจะรับความอยากไม่แก่ไม tai, ah ่เจ็บไม meter, ่ตายได้ท่านจะไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเพราะท่านไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปได้ถ้าถ้าคุณสามารถละ ความความอยากไม่แก่อย่างไม่เจ็บอย่างไม่ตายได้คุณก็เป็นพระสุวราณมันได้คุณดาครับอวิชชาคือความไม่รู้ขอถามว่าไม่มีรู้อะไรครับและจะทําอย่างไรให้รู้แจ้งรู้จริงได้ครับทาไมรู้อนุญาตศรรีงไม่มีใครรู้อรรนุญาตศีแม้แต่ตอนที่พระเจ้าบําเพ็ญเพียรก็ไม่รู้อนุญาตศรรีง แต่ท่าอนอาศัยท่านใช้ปัญญาท่านวิเคราะห์วิจัยค้นคว้าหาความจริงในที่สุดก็พบความจริงของอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจแต่มองไม่เห็นกันออ응ืทุกข์ของใจเกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากทุกข์ของใจดับได้เพราะอะไรดับเพราะละความอยากหน้าอะรที่จะละความอยากาได้ก็คือมรรคก็คือปัญญาเห็นอริ ย, รยสัจสี่ ถ้าอยากจะรู้แจ้งก็ต้องศึกษาริยาศัตรีศึกษาจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์และการจะเข้าถึงพยาศัตรนะีน้าก็ต้องมีเสียงมีสมาธิเป็นเครื่องมือเป็นบันไดก้าวขึ้นสูงภาริยาศัตรนะีได้คุณวีนาครับขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ทําไมพระพุทธเจ้าท่านทรงสเสด็จสุนิพานแล้วคือไม่ต้องกลับมาเกิดอีก แต่ทำไมบางบภบคุมที่มีมนุษย์เกิดก็ยังมีพระพุทธเจ้าแปลว่ามีพระพุทธเจ้าหลายองค์ใช่ไหมครับได้ไม่มีองค์เดียวในอันานานก็จะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมารูปหนึ่ง ค, คนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ที่บําเพ็ญความเพียรมาสะสมมามีมาตาม่างๆจนในที่สุดถึงเวลาที่เราสามารถที่จะ ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นอริยาาสัจสีได้ล้วก็ุษยลแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมางานนี้นจะมีสักองค์หนึ่งหลายกลับหลากันด้วยกันคือจะมีพระพุทธเจ้าโผลขึ้นมาสักรูปหนึ่งมาตรวสัตว์โลกนามาอริยาาสัจสี่นี้มาเผยแผ่สั่งสอนนห้ญาติสัตว์โลกคุณทิติมาบอกว่าขอสอบถามเรื่องถือสีบนเขาชีโอนครับอาจารย์ อันนี้สำหรับผู้ชายผู้ชายที่อยากจะอยู่แบบพระทุดงค์ข้างบนนี้จะไม่มีเครื่ อ, องอนวยความสะดวกมีแค่แค่ไว้หลบแดดหลบฝนแล้วก็มีทางเดิจนจงกรมอยู่ในป่าคนเดียวถ้ามาอยู่ก็เราถือศีลแปดแล้วก็ต้องหารับประทานกันเองตอนเช้าก็ต้องเดินลงมาถ้าอยากจะอาศัยพระก็ไปช่วยพระบิณฑบาตช่วยคน อาหารที่ท่านแม่จากเบญจาบแล้วท่านก็จะแบ่งอาหารนี่เรากินก็ให้กินแค่วันละมือถือศีลแตดกินข้าววันละมือแล้วก็ไม่ไปไหนอยู่ที่พระที่อยู่ที่แค่ที่พระของเราเดินจงกรมนั่งนั่งสมาธิไปทั้งวันทั้งคืนคุณธรรมประการครับเพื่อนฝากถามครับ เขาได้ไปวัดที่พบว่ามีพระพุทธรูปที่แตกหักแล้วที่อยู่ในโบสถ์เก่าจึงตั้งใจจะแจ้งทางวัดขอบูรณะให้กลับมาดังเดิมแต่เขาอยากรู้ว่าเขาสามารถจะทําได้ไหมครับก็แล้วแต่แต่วัดแต่ละวัดจะต้องไปคุยกับวัดตัวเองว่าเขามีเขามีนโยบายอย่างไรต้องคุยกับวัดที่เราจะไปทําการบูรณะให้ต้องขอนขอนุญาตจากเขก่อนว่าเขาจะให้ทำอย่างไร คุณสมพรครับโยมฟังธรรมะจากธรรมไดที่ได้รับแจกของพระอาจารย์จิตใจสงบดีมากการฟังธรรมะจากทําไดกับการฟังธรรมะสดแบบเรียลไทม์ของพระอาจารย์ได้บุญเป็นมงคลสูงสุดเหมือนกันไหมครับอย่างไรครับเหมือนกันนะถ้าเราฟังนักเกิดปัญญาฟังนักใจเราสงบมันก็เหมือนกัน คุณแว่นบอกว่าในใจมีพระรัตน์ตรัยเป็นสรณะแต่มีหน้าที่ที่ทำงานเป็นคนไปไหว้สารพระภูมิทุกวันพระควรทำใจวางจิตอย่างไรครับในเมื่อไม่มีพระภูมิเป็นสรณะครับก็จะไหว้ก็ได้ไม่ไม่เสียหายตรงไหนการไหว้ก็เป็นการแสดงความขอรบเท่านั้นเองแต่เราไม่ไปถือว่าเป็นสรณะเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราล้วก็ไหว้ได้ เราไหว้พ่อไหวแม่วหวคนที่เจอกันก็ไปก็ยกมือไหว้ให้กันนะกันได้อันนี้เป็นการแสดงความเป็นมิตรแสดงความเคารพการว่าการการถึงสถาณะนี้ี่หมายถึงถือคําสัง่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อจะทําทตามคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าคนอื่นมาสอนอะไรที่ขัดต่อคําสอนของ พระพุทธรรมผสมก็จะไม่ทําเห็นถ้าพ่อแม่สอนหมอให้เราอยากจะดูต้องโกงอย่างเงี้ยต้องคอร์รัปชันต้องโกงถ้าซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีวันที่จะนล่ำ่วยได้ถ้าเราถจอสาระในพระพุทธธรรมผสมเราก็เราก็ไม่ทําตามพราะแม่ที่สอนเราเพราะมันขัดกับหลักธรรมที่สอนให้เราเมตสิงคคือให้มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ชอบโกง ไม่นักศรัพย์ของผู้อันมีความหมายของการถึงสรนณะในพระรัตนตรัยเชื่อฟังคำสอนปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราต้องไหว้คนนั้นไหว้คนนี้แล้วมันไม่ขาดเกี่ยวับคำสอนก็ไหว้ได้การแสดงความเคารพก็เป็นเป็นหนึ่งในคำสอนของพระเจ้าบูชาบูชาจะปูชนดีอานาเมตมันกัลลมนต์ตมังบุคคลที่สมควรต่อการบูชา การไหว้บูชาบุคคลที่สมควรแก่การกราบไหว้ก็กราบได้การพระเจ้าแผ่นดิอนอย่างนี้เราก็กราบได้แม่ก็เป็นบุคคลที่สมควรต่อการบูชาครับข้ามแม่เราเรากราบได้คุณอัจชลาครับเราชาวพุทธจําเป็นหรือไม่ที่เราต้องนับถือทาวเวสุวันโนด้วยส่วนตัวลูกเฉยๆนับถือแต่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นกราบขอบพระคุณครับ ก็อย่างที่บอกว่าเราก็ให้เกียรติให้เคารพเขาถ้าเขาเป็นเท้าเขาเป็นเทวดาอย่างนี้ยถ้าเขามาเยี่ยมเราเราก็เราก็ต้อนรับเขาไหว้เขาอะไรไปทํางผู้ศาสนาสอนให้ชาวพุทธเราเป็นผู้อ่อนน้องถ่อมตนอยู่แล้วอ่อนน้องถ่อมตนทําตัวให้เป็นเหมือนปัตตภีเจอใครก็ไหว้ไปก่อนนะดีที่สุดเพราะมันไม่เสียหายตรงไหน คุณมาริสาครับที่พึ่งของเราคือพึ่งตนพึ่งธรรมใช่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องใช้ธรรมะเป็นผู้สอนเราให้รู้จักวิธีพึ่งซึ่งเราต้องใช้ตัวเราเองเป็นผู้สร้างธรรมะขึ้นมาต้องปฏิบัติธรรมคนอื่นปฏิบัติให้กับเราไม่ได้เราก็เลยต้องพึ่งทั้งตนพึ่งทั้งธรรมเลยเป็นที่พึ่งที่มันกรมเกนกันไปด้วยกัน คุณสมพรครับบอกว่าก่อนหน้านี้โยมจะเหนื่อยขาลากกับการขับรถวิ่งไปใส่บาตรและขับรถเสมือนวิ่งไปสวดมนต์ทั้งเช้าเย็นหางไม่ติดภารกิจใดนานวันเข้าโยมออกจะเหนื่อยขาลากคล้ายๆว่าวิ่งเหนื่อยเกินควรแต่ฟังธรรมะของพระอาจารย์ทําไร้ก็ได้ความสงบเช่นกันโยมในหยุดวิ่งรอที่ต้องไปสวดมนต์กับญาติธรรมในทุกเย็นเลือกที่จะไม่เหนื่อยขาลากเกินตัวคิดอย่างนี้ถูกทางถูกธรรมหรือยังครับ ถ้าผลที่เราได้มันเป็นยังไงถ้าผลเราได้คือความสงบได้ปัญญาก็ถูกทางแล้วนะพี่สมพรครับเป็นบอกว่าเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งอยู่บ้างนานๆเกิดทีแต่พอเกิดว่าจะหายก็กินเวลาสองสมวันต้องแก้การผัดวันประกันพรุ่งอย่างไรดีครับต้องใช้ธรรมะข้อใดครับต้องตั้งสจัจจะเนี่ยตั้งสจัจจะว่าเราจะทําอะไร ให้เราจะใส่บาตทุกวันอย่างนี้เราก็ต้องทําตามที่เราตั้งสัจจะไว้คือต้องมีอธิษฐานสัจจะอธิษฐานสองข้อนี้สําคัญตามด้วยความเพียรความเมื่อเราตั้งสัจจะอธิษฐานนั้นเราก็ต้องมีความเพียรพยายามทําในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ให้ได้แล้วก็ต้องมีขันติมีความอดทนถ้าเกิดมีอุปสรรคต่างๆมาคอยขัดขวางการที่เราจะทําตามที่เราได้ตั้งสัจจะไว้เราก็ต้องอดทนสู้ไปไม่ท้อแท้เบือ่อเลย ไม่อทองขาวคุณออนนี่ครับจะปฏิบัติอย่างไรให้ใช้ชีวิตทางโลกไม่แปลกแยกจนเกินไปคะออกไปทำงานเจอผู้คนปกติก็เป็นคนจริงจังอยู่แล้วยิ่งปฏิบัติจะระวังคำพูดไม่เป็นธรรมชาติทำให้บางครั้งเกิดความอึดอัดขอความเมตตาพระอาจารย์ครับก็ให้เรามีความเมตตา เวลาที่เราไปเจอคนต่างเราก็ต้องมีการมีอัธยาศัย ไ, ไม่ตีเกินะคอยพูดจาสนทนาทำพอสมควรต่อการแสดงความเป็นมิตรต่อกันแต่เมื่อเมื่อเมื่อพ อ, อสมควรแล้วเราก็ควรที่จะถ้าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องมีธุระคุยกันล้วก็ขอตัวไปทำธุระของเราต่อ อาจจะแปลหน่อยตรงที่ว่าไม่ค่อยคุ้กคีมากจนเกินไปแต่ก็คุ้กคีทับที่จำเป็นคุณมาริสาครับความบังเอิญไม่มีในโลกที่พวกเราได้มาสนทนาธรรมเพราะมีบุญสัมพันธ์กันจริงไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มันมีเหตุทำให้นามาสนทนาธรรมนันเหตุของเราคือเราไม่ถูกบังคับให้มาเนี่ยว่ามีการอาราธนานี่ เราก็มาคุณหมอก็มีเหตุชวนชวนเชิญให้ใหผู้ศรัทธาผู้ติดตามของคุณหมอว่ามีการแสดงธรรมคนที่สนใจเขาว่างเขาก็มาอัน น, อ น, น, นี้ก็เป็นเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นการบังเอิคุณออนนี่ครับจะสอนจิตอย่างไรไม่ให้ถือตนอวดดีอวดเก่งอวดธรรมคะ ใกล้ถือเราเป็นเหมือนกับคนเป็นภาคคิดรียบเป็นเหมือนกับเป็นคนรับใช้เป็นแจวสมมติตัวอะไรว่าเราเป็นแจวมีหน้าที่รับฟังคําสั่งของเจ้านายเพียงอย่างเดียวไม่มีหน้าที่ออกความคิดความเห็นไดทั้งนั้นใครจะพูดอะไรก็ฟังอย่างเดียวถ้าเขาไม่ถามขอความคิดความเห็นเราก็ไม่พูดทําตัวให้เป็นแจวทําตัวให้เราเป็นคนรับใช้เห็นไหมสังเกตมไหมคนรับใช้บ่อย บ่อยตามพัตนาเนี่ยพัตนาไปน้องไปอาหารก็เขามายืนรอรับว่าท่านต้องการอะไครับอ่ยก้รับสแสดงอ่าแล้วก็เราฟังคําสั่งนี่เขาจะกินนัน่นน่วยนี่ก็รับคําสั่งไปจากการถ้าเขาถามว่าอะไรดีก็แนะนําไปถ้าเขาไม่ถามก็ไม่แนะนําไปก็เฉยเฉยไปเนี่วิธีแก้ความอดีตเก่งทําตัวให้เป็นบ่อยเป็นแจวเป็นคนรับใช้ คุณเปตองครับการที่เรารับประทานอาหารแล้วเราพยายามกินไม่ให้อิ่มจนจุกแต่มีความอิ่มเล็กน้อยแต่กินสองจานถือว่าอยู่ในหลักความพอประมาณในการบริโภคไหมครับถ้ากินไม่ไม่จะกระทำไม่เกิดความเกียดค้านความง่วงนอนขวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมก็ถือว่าพอเพียงพอประมาณกินเพื่อไม่ให้มีปัญหาไม่ให้เกิดที่วอดคือความง่วงนอนและความเกียดค้าน ในการที่เราจะไปทําหน้าที่การเงินโยงกงมั่งสมาธิของเาคุณคุณปานครับมีสองคำถามครับคําถามที่หนึ่งครับอวกาศสทธาดกับความสูนในพระนิพพานมีความเกี่ยวข้องกันไหมครับเอาคนละเรื่องกันอวกาศสาัทธาก็ก็เป็นอวกาศไม่มีอะไร ว, าว่างความว่างนี่ก็เรียกว่าอาวกาศสาัทธา ส่วนความสูญในพระนิพพานนี่ก็คือสูญจากความทุกข์สูญจากกิเลสตัณหาอันนี้ก็เป็นความสูญในของพระนิพพานคนละอย่างกันข้อที่สองครับมีบุคคลประเภทใดที่เข้าถึงอวกาศสาัทธาและสามารถรู้เห็นในธาตุต่างๆที่มีอยู่ในอวกาศสาัทธาบ้างครับใครที่ศึกษาก็เข้าถึงเนี่ยอวกาศสาัทธาก็คือความว่างเนี่ย เวส่งยาในอวกาศขึ้นออกไปมันก็ไปอยู่ในอวกาศนะจริงอวกาศมันก็มีอยู่บนรอกเราเนี่ยในห้องของคุณนอกห้องของคุณหมาก็มีอวกาศนะที่ตรงไหนว่างนั้นก็เป็นอวกาศนั่นเอก็คืออวกาศ พ่สมพรครับบางครั้งขยนันบางครั้งขี้เกียจบางครั้งผัดวันประกันพรุ่งเป็นอนิจจังด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับโยมก็ไม่ได้ขี้เกียจตลอดเวลาและก็ไม่ได้ผัดวันประกันพรุ่งบ่อยแต่ก็ยอมรับว่ายังมีความขยานขี้เกียจปนๆกันบ้างโยมควรใช้หลักคิดหลักทำข้อใดครับอ๋อมันเป็นอนิจจังที่เราควบคุมได้ทำให้มันเป็นอนิจจังได้ทาให้มันมีความ สม่ำเสมอหน้าด้วยการใช้หลักสัจจะอธิษฐานของเราเนี่ยเราต้องมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติด้วยการกำหนดเวลาของการปฏิบัติว่าวันหนึ่งเราจะปฏิบัติกี่ชัวมม่วโมงกี่ครั้งเวลาใดบ้า ง, งเราก็กำหนดไปแล้วเราก็พยายามรักษาสัจจะของเราไว้อันนี้เราทำได้ดยกเว้นว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่มันสุดวิสัย น้ำท่วมขึ้นมาหรือไฟไหม้บ้านอะไรอย่างนี้ไม่สามารถที่จะรักษาสัจเจา้าเราได้นี่ก็ต้องไปข้อยกเมืองไปในกรณีที่มันเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ถ้าไม่มีอะไรเป็นเรื่องสุดวิสัยนี่เราสามารถทําให้มันเป็นน น, น, น, นิจจางได้้มันคุณสัจเจครับ ตั้งปณิธานเข้าปัญสาว่าจะนั่งสมาธิให้อยู่ในสมาธิให้ได้วันละหนาทีนั่งเกือบชั่วโมงใจนิ่ง5นาทียังไม่ได้เลยแวบไปคิดนั่นนี่ตลอดครับเพราะเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกสติมาก่อนการจะนั่งสมาธิให้จิตเป็นสมาธิให้จิตสงบได้ต้องมีสติถ้าเราไม่เจริญสติมาก่อนพอมานั่งนี้ยสติมีกําลังไม่ไม่มีกําลังมากพอที่จะทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ คุณอังสนาครับถ้าเรารักษาศีลห้าและสวดมนต์นั่งสมาธิทุกๆวันเราจะได้บุญขั้นไหนครับถ้ารักษาศี่ห้าได้เราก็จะเป็นมนุษย์เราก็จะไม่ไปเกิดในาบายแล้วถ้าเราสวดมนต์นั่งสมาธิทําจิตให้สงบเป็นเป็นฌานได้เราก็จะไปสู่พรหโลกคุณจ้าจ้าครับผมเช่าบ้านและจ่ายค่าเช่าตรงเวลาทุกสองเดือนก่อน หลังคารั่วลุงกับป้าที่ให้เช่าไม่ซ่อมตอนนี้รั่วเยอะขึ้นทั้งสามห้องเขาก็อิดออดแล้วว่าผมไม่ชอบก็ออกไปซะทางั้งที่สัญญาก็ยังไม่หมดครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นเรื่องของที่จะต้องคุยกันคก็อยากถ้าเราอยากจะอยู่ต่อล้วก็ไปซ่อมของเราเองก็ได้เพื่อเราจะได้อยู่สบายถ้าเราไม่ไม่ลําบากยากจนจะเกินไปก็คิดว่าทําบุญทัำทานให้เขาไปแล้วก็ทําบุญให้กับตัวเราเองด้วยซ่อมบ้าน องเทาให้เราอยู่ให้เจะได้อยู่สบายอย่าไปยึดติดกับคําสัญญาในบางทีคนเราบางทีเรื่องเงินเท้านี่มันยากเข้าปากมันอ้อยเข้าปากช้างแล้วนี่จะเดินออกมา ย, ยากเพราะคิดว่าสุดไปก็แล้วแต่เงินที่เราจ่ายเป็นตรงหน้าถ้าเราอยากจะอยู่สบายเราก็ซ่อมมันเองก็แล้ว ก, กันถ้าไงั้นก็ย้ายไปยาตามที่เขาบอก <c oughs> คุณดวงพรครับทําอย่างไรยังมีความกลัวอยู่เจ้าคะ่ะเมื่อไหร่จะหายจากจิตใจเวลานั่งสมาธิเจ้าคะ่ะก็ต้องยอมตายยอง ว, าอวาาอ่าอย่างมากก็แค่ตายแล้วถ้ายังยังยอมไม่ได้ก็วเวลากลัวตายก็ให้ท่องพุทโธพุทโธให้ถี่อย่าไปอย่าปล่อยให้อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวถ้าอยู่พุทโธได้ถี่เดี๋ยวความกลัวก็จะหายไป คุณเปตองครับการเข้าร่วมประกอบพิธีบวงสวงของาศาสนาอื่นถือว่าเราทำเด ร, าารัจานวิชาไหมครับแต่ถ้าเราเข้าร่วมแต่ไม่ประกอบพิธีด้วยแค่มาให้เกียรติแก่เจ้าภาพเฉยๆจะเป็นไรไหมครับคําถามนี้ดูออก็อยู่ที่ว่าเราทำแบบเอารจริงเอาจังหรือทำเป็นเป็นเป็นจิริยาทําไปเพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้ที่เขาเป็นเจ้าภาพเมื่อเขาชวนเรามาเราปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ไปร่วมเฉยๆ แต่เราไม่ได้ไปเอาจริงเอาจังไปหวังได้ผลในจากการกระทาเหล่านี้มันก็ไม่เสียหายตรงไหนเป็นการรู้จักสังคมบางที่เราอยู่สังคมสังคมก็มีพิธีการอะไรที่เราต้องร่วมด้วยเราก็ร่วมไปเหมือนที่โบราณก็บอกอยู่เมืองหนึ่งต้องเหี่ยตาตามนะ ค, คุณวิไลครับบุญกุศลที่เราได้ทําและอุทิศให้กับผู้ล่วงลับ หากผู้ล่วงรับสามารถรับบุญที่อุทิศไปได้บุญนั้นจะติดตามผู้ล่วงรับไปตลอดหรือเปล่าคะก็มันก็จะช่วยให้จิตใจเขามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงคุณสมพรครับโยมฟังธรรมะจากพระอาจารย์ทําให้จิตใจผ่อนคลายจิตหายเครียดจิตใจสงบขณะที่รับฟังโยมเลยเอาตํำรับธรรมะของพระอาจารย์เป็นสื่อกลางในการทําสมาธิ แบบสมัทสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานในแบบที่ตนเองถนัดในแบบฉบับของจริตของตัวเองคิดอย่างนี้ถูกทางถูกธรรมหรือยังครับก็ไม่ได้อธิบายเลยว่าทําสมาธิแบบสมัทฐานเป็นยังไงวิปัสสนากรรมฐานเป็นยังไงคือถ้าทำแล้วจิตสงบแล้วจิตได้เกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าถูกทางดูที่ผลย็แล้วกัน เรปฏิบัตินี้นก็เพื่อให้ใจสงบให้เป็นใจมีอุเบกขาวางเฉยได้แล้มีปัญญาให้เห็นว่าหเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักได้ือเห็นว่ า, าความอยากความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้สิ่ง ต, ต่างๆที่เป็นเป็นอนิจจังให้เป็นนิจจังซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเลยทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามครับ ผูที่ทำปิดศีลข้อสามเมื่อตายไปจะตกในอวัยภูมิข้อไหนคะ่ะศีลข้อสามมักจะไปเป็นเดลราชานนะเพราะว่ามันเมันมิมันเป็นธรรมเนีย ม, ม, ม, มอของศาสตว์เดลราชานเขาปฏิบัติกันเขาไม่มีคู่ความที่ที่มั่นคงที่เขาเจอใครที่ไหนเมื่อเขาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเขาก็จะร่วมเสพกรมที่นั่นยิ่งถ้าเรามีแบบนี้แล้วก็เป็นเหมือนเดลราชาน คุณสมพรครับทำยังไงดีครับเสพกราฟเสพติดสมาร์ทโฟนเผลอไม่ได้หยิบเปิดดูเปิดอ่านก่อนหน้านี้จะพักผ่อนจะผ่อนคลายสุดด้วยการอ่านหนังสือจะพักผ่อนไม่ได้อ่านหนังสือแต่พอยุคดิจิทัลเข้ามาหนังสือที่จะอ่านมาเป็นตั้งใจแ ต, ต่ตั้งแต่ใจสิโลล่าไม่กับมือถือทุกทีไปครับก็มือถือมันอยู่เฉยๆถ้าเราไม่ไปหยิบมันขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหา เราต้องห้ามใจเราอย่าไปแตามันก็นแล้วกันอย่าไปใช้มันเราซื้อมือถือแบบที่ไม่มีอะไรนอกจากโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวไว้สาหรับติดต่อกันก็พอหรืออย่าใช้มันเลยยิ่งดีถ้าไม่ใช้ได้เลยยิงย่งดีก็สมัยที่เราไปอยู่วัดป่ามันตางนี้ท่านห้ามโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่เข้าวัดทีวีไมเข้าวัดไฟฟ้าไม่เข้าวัด กันเข้าไปแลเดี๋ยวพวกเทท่านพวกเทวทัตมันจะเข้ามาด้วยพวกทีวีครับทีวีพวกทีเท <c oughs> วทัตเทวทัตเป็นที่เทวทัต <c oughs> พูกทำลายศาสนาทำลายจิตใจของพระผมเห็นบนเขาชี้โอนก็อาจารย์ไม่ให้เอาไฟขึ้นนี้ผมว่าได้ประโยชน์มากเลยนะครับอาจารย์ทำไฟขึ้นไปนี่มันจะมีที่จัดแบบอะไรเติมมเลย บางทีมันก็เป็นโนโยบายของสุเดวะสังฆราชนะนต่างเนพ่างเพราะพร ะ, พระอาจารย์ที่ไปบุกเบิกก็เป็นพระมาจากวัดทัพกงเพนนั่นก็มาใช้ไฟฟ้ากันอยู่แล้วก็เลยไม่เป็นโนโยบายที่จะใช้ไฟฟ้าถึงแม้เขาจะเดินสายขึ้นไปก็ไม่เอามาใช้กันพรามันมันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณสำหรับภาพที่ปฏิบัติคุณมาริษาครับ ที่ไต้หวันก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนที่ไทยแปดคนลันิกายพุธทธบริษัทสามารถเข้าถึงนิตพานแบบพิไทยไหมเจ้าคะยังก็ไม่ทราบเหมือนกันว่านิกายเขาเขาปฏิบัติกันอย่างไรถ้าเขาปฏิบัติมีอารรยุสัทธ์สี่มีพักแปดเขาก็สามารถเข้าถึงนิตพานได้คุณจงดีครับเวลาพุโทโธหลับตา ภาพที่นึกถึงต้องนึกถึงนึกเป็นภาพอะไรคะเป็นตัวหนังสือพุทธโธหรือพระพุทธรูปคะไม่ต้องนึกเลยให้อยู่กับคําบริกรรมให้อยู่กับกับคําว่าพุทธโธนั่นเ้งให้รู้ว่าเรากําลังพุทธโธอยู่ท่านเองเราไม่ได้อยู่พุทธโธเราไม่ได้ไปคิดเรื่องทางนั้น่าง น, นี้ให้อยู่กับคําบริกธรรมพุทธโธพุทธโธไปท่านเอง คุณสมพรครับทุกวันนี้โลกมีความเจริญทางวัตถุมากขึ้นแต่เสมือนเมื่อเปรียบเทียบกับในวันวานตอนที่พวกเราไม่ค่อยจะมีอะไรกันแต่ดูเหมือนว่าพวกเราจะมีความสุขทางจิตใจกันมากกว่าสมัยปัจจุบันในอดีตขาดวัตถุปัจจัยแต่จิตใจก็มีความสุขตามอัตราภาพของมันปัจจุบันต้องจัดการความเครียดความทุกข์ต่างๆนานาทาไมถึงเป็นเช่นนั้นครับโยมต้องใช้ธรรมะข้อใดครับเพราะว่าเรา ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทางด้านวัตถุเมื่อให้ปพ่านพัฒนาวัตถุเราก็ไม่มีเวลามาพัฒนากับจิตใจจิตใจเราแล้วไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วการพัฒนาวัตถุก็มักจะเจอปัญหาเยอะมีเพราะมันเป็นอนไรจังของไม่เที่ยงแน่นอนพอเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาก็เกิดความเครียด ข, ขึ้นมาแต่สมัยก่อนเรา ให้เอาเวลามาพัฒนาจิตใจมาสร้างภุมิคุมค้มกันให้กับจิตใจมีศีลมีสติมีสมาธิมีธรรมะมีปัญญาคอยสอนใจให้ให้ปล่อยวางไม่ให้ประยึดติดกับสิ่งวัตถุต่างๆเพราะมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของที่ไม่แน่นอนก็เลยไม่ค่อยเกลียดกับวัตถุเท่าไหร่อย่างวัตถุก็ไม่ค่อยมีมากอาจจะทุกอย่างลำบาก ท, ทางกายมากกว่าสมัยนี้สมัยนี้เรื่องทางกายน่สุขสบายกัน อยากจะไปไหนมาไหนอยากจะกินอะไรอยากจะอยู่ที่ไหนมันมีพร้อมหมดบ้านช่องอะไรต่างๆปัจจัยสีเหลือเฟือแต่จิตใจไม่มีภูมิคุ้มกันพอเวลามาต้อง เ, อเวลามามาหาวัตถุ ก, กันลไม่มีเวลามาศึกษาธรรมะไม่มีไม่มีเวลามาฉีดวัคซีนให้กระจยเพื่อป้องกันความทุกข์ที่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆที่เวลาที่เราไปไปไ ป, ไปหาวัตถุมาเสดกัน คุณแคทครับการเล่น a ฟ e b o o k ชอบลงรูปให้คนอื่นชื่นชมกิเลสข้อนี้จะขัดขวางการเป็นประสดาบันหรือไม่เจ้าคะแต่ทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาตลอดหรือควรหยุดเล่นไปเลยเจ้าค ะ, ะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเนะีเราล้าถ้าเราร่างกายที่เรานี่ไปไปโชว์ว่าเป็นตัวเราเราก็หลงนะร่างกายเราไม่สวยไม่งานทาไมไม่เอากระดูกของเราไปโชว์บ้าง เขาหลอกศีรษะเราลงไปใ น, ในหน้าเพซอันนี้คือหน้าของเรา ค, รคุณวันเพนครับเมื่อลูกเข้ารับการผ่าตัดก้อนที่ต่อมไทรอยด้านขวาจิตสวดพุโทโธเป็นที่พึ่งจนหลับเหลือก้อนด้านซ้ายอยู่ด้วยกันไปตอนส่องกล้องทางเดินอาหารสวดพุโทโธกราบเรียนถามถ้าเกิดอุบัติเหตุก่อนตายสติจะระลึกพุโทโธทันไหมครับแล้วแต่เราฝึกมาก มากฝึกอนอยนี่เราต้องเป็นคนตอบเองเราตอบให้ไม่ได้หรอกอยู่ที่การฝึกฝนอบรมของเราคุณว่าครับลูกทำงานในโรงเรียนและมีองค์กรอิสระที่เป็นคารวาสขอเข้ามาอบรมเกี่ยวกับสมาธิแต่ลูกเกิดความลังเลสงสัยที่จะเข้าร่วมอบรมมีอคติต่อผู้มาสอนเจ้าค่ะก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกอะไรเพราะว่า อาจจะไม่ไม่เชื่อว่าเขามีวุทฒิภาวะพอที่จะมาสอนเราได้ก็ได้เราอาจจะมีมีความศรัทธาว่าต้องไปศึกษากับภาพที่เป็นผู้ปฏิบัติสมาธิจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของของของความเห็นของเราเท่านั้นเองอต่ถ้าลองดูว่าเขาสอนถูกหรือไม่แล้วเราออกมาเรียนดูแล้วทำทันที่ก็สอนแล้วเราได้ผลหรือไม่ถ้าได้ผลก็อาจจะ เราก็อาจเรียนกับเขาก็ได้อันนี้ต้องดูที่ผลจากการที่เขาสอนให้เราปฏิบัติแล้วนําไปปฏิบัติถ้าเราได้ผลน้อ่ ก, ก็ได้คุณมาริสาครับมีคนรู้จักเขาติดนิสัยคิดลบตลอดเวลาเขาไม่มีความสุขแม้ขนาดที่อยู่กับตัวเองเห็นแล้วเศร้าใจมากค่ะอายุมากแล้วเวลาก็น้อยนิดอยากช่วยก็ช่วยไม่ได้ รู้สึกเสียใจและเสียดายมากเจ้าข่าพระอาจารย์เราก็ไม่ควรจะไปเศร้าใจเขามนเรื่องของเขาเราไปเศร้าใจเขาทำไมำเราแสดงว่าเราก็เราก็เราก็มีกิเลส น, นะไปเศร้าใจเขาทำไมครับคุณแต้มสีครับคนคริสตบอกว่าเวลาขอเขาขอพรแล้วเขาได้รับพรได้ได้ความช่วยเหลือจากพระเจ้าดิฉันเคยลองขอพรบ้างเพราะชาวคริสตแนะนํา โดยที่ดิฉันไม่ค่อยเชื่อดิฉันไม่ได้รับพรใดๆค่ะพอมาปฏิบัติธรรมมากๆเข้าบางอย่างในใจบอกว่าที่ชาวคริสได้รับพรนั้นเพราะเขากำลังใช้บุญเก่าของเขาเขาขอแล้วเขาไดเา้เขาเลยเชื่อว่ามีพระเจ้าส่วนของดิฉันไม่มีบุญมาช่วยและช่วงนั้นยังไม่ยังมีกรรมเลยไม่ได้รับพระอาจารย์คิดว่าการที่ชาวคริสขอพรและได้รับพร บ, บ่อยๆนั้นเกี่ยวกับบุญของเขาไหมครับ ส่วนนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับบุญอีกส่วนหนึ่งก็เป็นจังหวะโอกาสที่มันกําลังจะได้พอดีขอไม่ขอมันก็ได้ก็มีอย่างนั้นมันเป็นเรื่องบางทีก็เป็นเรื่องของบุญก็มีมีส่วนแต่บางทีไม่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับบุญก็ได้มันเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของโอกาสจังหวะพอดีเราอยากได้สิ่งนี้แล้วมันก็มาทันทีก็ แต่ทางที่ดีทงางหลักศาสนาพุทธบออย่าไปขอดีกว่าอยากจะได้อะไรหาเองดีกว่าแน่นอนกว่าถ้าหาไม่ได้ก็อย่าไปอยากได้ก็หมดปัญหาก็หมดไปที่ปัญหาต้องไปขอเพราะอยากได้แล้วยังไม่ได้เนีลยต้องไปหาวิธีหาหาวิธีที่จะทํำไงจะที่จะทําทให้ได้ขั้นนั้นเราไปขอพรจากพระเจ้าก็ไปขอพรจากพระเจ้า ทางศานาพุทธก็มีคนแนะนาให้ไปขอพรจากพระองค์นั้นพระองค์นี้พระพุทธรูปองค์นั้นองค์นี้ก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อที่ที่เราเรียกว่าความเชื่อแบบงมงายเชื่อแต่ไม่มีเหตุไม่มีผลคุณธรรมประการครับช่วงเวลาที่เกิดความเจ็บความทุกข์ขึ้นมาเราควรพิจารณาที่ความเจ็บความทุกข์เพื่อรงหรือควรกลับมาที่กําหนดสมาธิด้วยพุโทโธหรือดูลมหายใจครับ น่าแต่ว่าเราจะทำอย่างไรได้ถ้าเราใช้สมาธิเราก็จะรับความทุกข์ไว้ได้ชัว่วคราวเวลาที่ร่างกายเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธใจเราก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บในความเจ็บก็อยู่เหมือนเดิมความเจ็บของร่างกายนี้เราไปกําจัดมันไม่ได้จากการภาวนาจากการใช้สมาธิหรือปัญญาเราใช้สมาธิหรือปัญญาเพื่อมากำจัดความทุกข์ทางใจได้ ถ้าเราจะใช้ปัญญาแล้วก็พิจารณาว่าความเจ็บของร่างกายเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันอยู่เนื้อวิสัยของเราเราก็ต้องยอมรับมันไปปล่อยให้มันเจ็บไปเราก็จะไม่ถูกกับมันได้คุณอุงุ่นเปรี้ยวครับคนที่นับถือศาสนาอื่นไม่มีหนทางที่จะไปถึงพระนิพพานได้ถูกไหมครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวไม่อยากจะไปพลาดเพลงเดี๋ยวเกิดเข้าไปได้แล้วเราไปพูดไปไม่ได้ ว่าเราไม่ได้ศึกษาศาสนาก็ต้อ ง, องขอภอภัยด้วยตอบไม่ได้คุณแสนครับการกรริธีการพระอาจารย์ไม่สุขไม่ทุกขเขเวทนากับอุเบกขาต่างกันอย่างไรครับคือเวทนามันมีสามชนิดไงสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาคือเฉยๆเช่นเวลาเราหิวข้าวเนี่เราก็เรียกว่าทุกขเวทนา เวลากิข้าอิ่มเ้าก็เรียกว่าสุขเวทนาเวลาที่เราไม่หิวเวลาที่เราไม่อิ่มเราก็เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกขเวทนาสลุมเบขานี่คือการวางเฉยของใจไม่เป็นวุ่นวายกับเวทนาทั้งสามจะสุขก็ไม่จะสุขก็ไม่ดีใจจะทุกขก็ไม่เสียใจจะไม่สุขไม่ทุกขก็ไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรเฉยๆอันนี้เรียกว่าอุเบขาควาเลื่อนกันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเวทนา อุเบกขานี่เป็นเป็นปฏิกิริยาของใจต่อสิ่งต่างๆไม่มีปฏิกิริยาถ้ามีอเุเบกขาใจจะวางเฉยจะสักแต่ว่างรูปได้คุณวีนาครับหนูอยากนั่งสมาธิไม่อยากทำอะไรถือว่าความอยากนี้ถือเป็นกิเลสอย่างหนึ่งไหมคะถ้าไม่ใช่ถือว่าความอยากนั่งสมาธิไม่ใช่ความอยากเสพรูปฌานหรืออรูปและอรูปฌานใช่ไหมคะ มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเรายังอยู่ในระดับที่เราต้องใช้สมาธิเป็นเครื่องมือในการละความอยากเสกกรามเราก็ต้องนั่งสมาธิอยากนั่งสมาธิให้เยอะๆเพื่อที่เราจะได้ใช้สมาธินี้เป็นเครื่องมือมาละความอยากเสกรูปเสียงกลิ่นดสต่างๆไปแต่เมื่อละความอยากในรูปเสียงกลิ่นได้หมดแล้วเราก็มาติดความอยากในสมาธิเราก็ต้องหยุด วความอยากในสมาธิก็จะทําให้ใจดอกทุกข์ได้เวลาที่เราไม่สามารถเข้าสมาธิได้ถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์อยากความอยากในสมาธิถึงตอนนั้นเราก็ต้องไม่ไม่เข้าสมาธิหยุดความอยากเข้าสมาธิคุณแหมมครับจริงไหมคะชาติที่แล้วเราเข้าฌานได้เกิดชาติใหม่มาปฏิบัติธรรมก็สามารถเข้าฌานได้เหมือนเดิมครับ ก็ก็เหมือนเดิมเหมือนคนบาคนทําไมเขาไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติได้อย่างง่ายดายรวดเร็วคนบางคนทําแทบเป็นแทบตายก็ไม่สงบสักทีนั้นก็เพราะว่าอดีตเคยทํามาก็ไม่เคยทํามามันเลยมีผนต่างกันคุณอ้อมครับนั่งสมาธิแล้วคิดนู่นคิดนี่ชั่วขณะแล้วดึงสติกลับมาพุทโธพุทโธต่อจะได้บุญไหมเจ้าคะและบุญจากนั่งสมาธิเกิดตอนไหนเจ้าคะ ทนที่จิตสงบเป็นเป็นฌานขึ้นมาถึงจะถึงจะเกิดบุญตอนที่เราพยายามนั่งมาพุโทโธพุโทโธแล้วก็นมุนกคุกรานนั้นมันยังไม่ได้บุญยังไม่ได้ผลคุณแต้มสีครับเอาวิชาคือผู้รู้ผู้รู้คือวิชาใช่ไหมคะหลวงตามหาบัวเคยเทศถ้ามีต่อมผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบถ้าใช่ผู้รู้ก็คือ ต้านในตานในเือบวิชาใช่ไหมคะไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ไม่อยากจะตอบเพราะมันเป็นเรื่องของท่านเราก็ไม่ได้เป็นพู้ที่อยู่ในชานะไปวิาพวากษ์วิจารณ์ได้คุณวิสิทธิ์ครับช่วงนี้เวลาเดินจงกรมมีไอร้อนออกจากร่างกายก็กําหนดรู้เสร็จนั่งสมาธิไม่มีไอร้อนออกจากสมาธิมานั่งพิมพ์คําถามแต่กลับมีไอร้อนออกจากร่างกายปรึกษาครับ อ, อ๋อเป็นเรื่องของร่างกายไปถ้าคิดว่ามันเป็นปัญหาก็ไปปรึกษากับแพทย์นะทางนี้เราเราปรึกษาให้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านจิตใจจิตใจก็คือราอย่าไปทุกข์กับมันนะมันจะมีไอร้อนออกแล้วมันมีไอร้อนไอร้อน อ, อกก็เป็นเรื่องของร่างกายไปปล่อยวางไม่ต้องไปทุกข์กับมันนะถ้าเราทุกข์เราอยาให้เราอยากจะหายก็ไปคุยกับหมอดูหมอทางร่างกายดูว่ามันเป็นอะไรเราจะต้องแก้ไขอะไรหรือไม่อย่างนั้น คุณธรรมประการครับจากข้อที่แล้วครับเรื่องเพื่อนที่สนใจบูรณาพระพุทธรูปที่แตกหักเขากลักวคําคเตือนแม่ว่าพระแตกหักแล้วไม่ควรไปทําอะไรเขาเก่งว่าจะเป็นบาปหรือมิเหตุมอีอันควรเกิดขึ้นครับเขาฝากถามว่าบูรณาได้ไหมครับเพื่อได้ปกติแล้วคนทั่วไปนี่เขาจะไม่ชอบของที่แตกหักของเสียแต่รถยนต์บางทีซ่อมยังไม่อยากจะซ่อมเลยบางคนมีปัญญาซื้อมาซื้อรถใหม่ดีกว่า ว่ามันจะได้ไม่ต้องมากังวลจะต้องคอามาคอยซ่อมอย่างเรื่อยๆถ้าเราไปบูรณะของเก่าเดี๋ยวมันก็อาจจะแตกง่ายกว่าซื้อของใหม่ทําของใหม่ก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของของความของความนิยมก็ได้ของของคนทั่วไปเวลาของเสียของอะไรนี่ยเขามักจะทิ้งมงินมากกว่ามากกว่าที่จะมาซ่อมมาอะไรซื้อซื้อของใหม่ดีกว่า องหม่คมันขาดนี้ไม่มีตำหนีไม่มีปัญหาคุณอู๊ครับถ้าเราเป็นค า, ารวาที่น้อมรับปฏิบัติ ธ, ธรรมตามคำสั่งสอนของพระอาจารย์แต่ยังเสพเมถุนบ้างแบบนี้จะทําให้เราขาดศีลไหมครับถ้าเราถือศีลแปก็ขาดศีลถ้าเราถือศีลห้าก็ยังไม่ขาดถ้าเราเสพเมถุนกับภรรยาหรือสามีของเราคุณเพครับ หากเราคิดตั้งใจอธิษฐานอยู่เสมอขอให้วงจรเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นความคิดไร้สาระไหมคะก็ถ้าเปนเป็นความคิดที่โง่เขามากกว่าเพราะการมาเกิดนี่เป็นการเข้ามาหาความทุกข์พอมาเกิดแล้วก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายเจอกับการพัดพลาดจากสิ่งที่เราละกอดชอบไปเจอกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาถ้าเป็นคนมีปัญญาจะคิดว่าไม่การไม่เกิดจะดีกว่า เพไม่เมื่อไม่เกิดนักก็จะนักไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องมาเจอเหตุการณต่างๆที่เราไม่ปรารถนากันคุณพัทลัตนาัยครับถ้าเราพูดหยาบเล่นๆกับเพื่อนถือว่าเราวาจาสุจริตไหมครับเล่นๆนั่นไม่ได้นะไม่ควรที่จะพูดคําหยาบอันนี้เป็นวาจาที่ไม่ไม่สุภาพไม่เรียบร้อย คุณแต้มสีครับการที่คนบางคนเกิดในในเครื่องแวดล้อมที่มีปัญหาเช่นพี่น้องทะเลาะ ก, กันบ่อยหรือญาติชอบมายืมเงินบ่อยๆเกี่ยวกับกรรมเก่าของคนนั้นหรือเปล่าคะอในกรณีนั้วมันก็มันก็จะโทษยังไงมันจะทำก็ บ, บางทีมันไม่ใช่เรื่องของกรรมเก่าก็ได้เ ป, เป็นเรื่องของการที่เราไปอยู่ใน เ, เหตุการณ์นั้นเท่านั้นเอง คุณมาสเตอร์นิตาครับหลังจากได้คำแนะนำจากพระอาจารย์ไปปฏิบัติต่อวงเล็บจิตที่เป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงตอนนี้เห็นว่าโลกนี้ไม่มีสาระอะไรให้ยึดถือได้เลยเห็นจิตที่เหนียวรั้งอยากละทางโลกมุ่งทางธรรมบวชภิกษุณีแต่อีกใจก็ห่วงมารดาและบิดาขอไม่ตารมจากพระอาจารย์ครับการดูพรอพรธเจ้าเป็นตัวอย่างพระเจ้าก็มีพ่อมีแม่เหมือนกัน พระเจ้ายังไปบวนได้ดการบวชของพระเจ้ากลับมาเป็นประโยชน์กับพ่อกแม่ในภายหลังสามารถสอรพ่อแม่ให้ไปนิพพานได้ต้องคิดดูตามรูป ด, ดูตามแบบของของผู้ที่เป็นอาจารย์ของเราว่าท่านปฏิบังงติอย่างไรท่านคิดอย่างไงรล้วก็ทําตามแบบท่านไป คุณปูเป้ครับหนูมองเห็นคนละโซนทํากับโลกถึงแม้อยู่ในโลกใบเดียวกันแต่มองโลกเป็นเรื่องสมมุติและปรุงแต่งมองคนรอบข้างเป็นเพียงอากาศหนูเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กชีวิตมนุษย์เหมือนการเล่นเกมตายแล้วเริ่มต้นใหม่สตาร์ทใหม่หนูคิดแบบนี้ถูกไหมเจ้าค่ะถูกแต่มันมันมันไม่ถูกหมดนะมันไม่คิดถึงเวลาตายมันเจ็บนะมันทุกข์ะอมันเล่นเกมมันเพลมันไม่มีความทุกข์เกี่ยวข้องด้วย แต่ความจริงนี่มันไม่ใช่ของเล่นนะแก่เจ็บตายนี่มันเป็นของของทุกข์ไม่มีใครอยากจะกลับมาที่มาแก่มาเจ็บมาตายต้องเห็นเห็นภัยของการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ใช่คิดว่าเป็นของเล่นมันไม่ใช่เป็นของเล่นนะมันเป็นของจริงคนระับคุณอนุนไทยครับ กับพระอาจารย์ค่ะสติตั้งมั่นกับจิตตั้งมั่นแบบเดียวกันหรือเปล่าคะแล้วมีวิธีฝึกอย่างไรให้เกิดขึ้นครับก็เป็นธรรมที่เราใช้แทนสติกับจิตบางทีแล้วก็ใช้แทนกันวิธีจะทําให้จิตฝึกอย่างไรก็ฝึกใช้คําบาลีคำพุทโธไปทั <co> <picnic. Haha. S 2> ้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับพยายามต้องพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเล่นไปก็จะมีสติที่สามารถคอยควบคุม ความคิดของเราได้สามารถทาให้จิตสงบเป็นสมาธิได้เป็นตั้งม่นได้คุณแพทย์ครับทำอย่างไรจะไม่ทุกข์กับการยึดติดกับคนที่เรารักเช่นลูกทุกจากการอยากให้เขามาดูแลเราและจะทำอย่างไรอย่างใจที่เราต้องการได้คะก็ต้องมองว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเขากับเราไม่เที่ยงวันใดวันหนึ่งเขากับเราก็ต้องแยกกันจากกันไป และขณะที่อยู่ก็อาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เราต้องเจอก็ได้เจอกับภัยพิบัติต่างๆเจอกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มันสุดวิสัยที่เราจะไปควบคุมบังคับได้เราก็ต้องยอมรับขอบความเป็นจริงอันนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่ยึดติดเพราะเราไม่ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องมีการทลาดพาดจากกันเป็นธรรมดา คุณปานิสาครับถ้าเราต้องพบปากกับคนที่มีอัตราสูงเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับเราก็ทําตัวอัตาต่ำเลยทำตัวเาให้ต่ำปล่อยเขาสูงไปเ้าอยากจะเป็นนายก็ปล่อยก็เป็นนายแเ้าก็เป็นคนใช้ไปคนรับใช้ไปอย่างนี้ไปด้วยกันได้ใช่ไหมเขาเป็นเจ้านายเราเป็นคนรับใช้เราฟังอย่างเดียวฟังเขาสั่งก็จะพูดอะไรก็ให้เขาสั่งมาเราไม่ต้องไปตอบไม่ต้องไปเสนออะไร ถ้าเขาไม่ถามอะไรล้วก็เฉยๆไปอย่านี้ก็อยู่ด้วยกันได้ถ้าเป็นอัตตาสูงๆด้วยกันเจอกันต้องตีกันแน่ท่้นก็สูงทธาก็สูงคุณวันิดาครับหากการทำงานมีเรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดจะใช้ธรรมะใดเพื่อการจัดการกับความเครียดความทุกข์ครับเล้่เกีวงานนี้เป็นของชั่วคราว ทำแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้มากไม่ได้มากงั้นที่สุดตายไปก็มันก็ไม่มีความหมายอะไรทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำมันไปคิดอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอยาก่างตามความอยากของเราได้เสมอไปงั้นทำตามความทาตามความจริงทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปก็จะไม่เครียดถ้าทำตามความอยากแล้วมันจะเครียดเวลาเวลาที่ไม่ได้ตามใจอยากมันจะเครียร คุณมารีครับจําเป็นไหมคะที่นั่งสมาธิอย่างเดียวไม่อาจเดินจงกรมได้ครับ อ, อ๋อถ้าเรายังปฏิบัติน้อยก็ไม่ต้องเดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมนี่หมายถึงคนที่เขาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเมื่อเขานั่งมากๆแล้วร่างกายมีอาการเจ็บเมื่อยหลังก็ต้องลุกขึ้นมาเดินแทนแต่ถ้าเรานั่งแค่วันละข้านาทีสิบนาทีนี้ไม่ต้องไปเดินจงกรมก็ได้ <c oughs> คุณแจนครับผลของบุญจะเป็นไปตามที่เราทําไหมคะเช่นถ้าเราทําบุญบริจาคอาหารให้คนอื่นชาติหน้าเราก็จะไม่อดอยากครับก็จริงทําบุญแล้วเราก็จะมีมีมีบุญมาคอยสนับสนุนเราอาจจะไม่ได้ทำบุญพ่อ บ, บริจาคอาหารก็ได้บุญมันแทนกันได้บุญมันเหมือนเงนินเหมือนเงินที่จะสามารถมาแปลงในสิ่งที่เราขาดแคลนให้ให้เราได้สิ่งที่เราขาดแคลนได้ ไม่จำเป็ว่าจะต้องทำอาหารชนิดนี้เราจะได้กินอาหารชนิดนี้ในชาติหน้าอันนี้ไม่อันนี้ไม่แน่นอนไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่เราจะได้บุญคือความอิ่มใจเหมือนกนรารได้กินอาหารแล้วทำบุญนั้นบางทีมันอิ่มใจแล้วไม่อยากจะกินอาหารก็ได้มันได้กินอาหารแล้วคุณ Morning g กร r y ีครับหนูป่วยโรควิตกกังวลซึมเศร้าแบบติดตัวมาแต่เกิดเป็นจากรกรมพันธ์ รักษาเป็นสิบปีแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยพยายามเจริญสติมานานหลายปีแต่ไม่คืบหน้าทำอย่างไรดีครับก็ไม่ทำหนักจริงจริงจริงน้องทำเอกจริงมาจากหนึ่งวันเดียวเนี้ยลองพยายามทำทั้งวันให้ได้ลองหาวันไหนว่างๆหยุดวันเดียวแล้วมาลองพยายามเจริญสติพุทโธตั้งแต่ตื่นจนดลับดยมั้งรัผลรับรองว่าถ้าทำได้เราจะเห็นผลขึ้นมาคุณอภิลาครับ การเจริญสติระหว่างวันสำหรับคนที่ยังจําเป็นต้องทํางานเจ้ า, าออค่ะกับมาคำแนะนำก็เจรในช่วงที่เราไม่จเจริญในช่วงที่เรายังไม่ได้ทํางานไงช่วงที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่เราต้องไปเตรียมตัวอาบน้ําล้างหน้าแปลงควันแล้วก็พุทโธพุทโธไปค อ, ค, คอยควบคุมความคิดด้วยการเจริญคําว่าบริกรรมพุทโธพุทโธไปเราก็ทําได้ในในช่วงที่เราเตรียมตัวจนกว่าเราจะไปถึงที่ทํางานแล้วเราถึงจะ เราไม่สามารถจะใช้บริการพุโทโธได้เราแค่มีสติอยกงานที่เราทำอย่างน้อยก็ได้ครึ่งหนึ่งคือไม่ได้หยุดความคิดแต่อย่างน้อยก็มีสติไปควบคุมความ ค, มคิดให้มันคิดอยู่กับเรื่องงานอย่างเดียวอย่าปล่อยให้มันคิดเพ้อเจอ้าเพ้อฝันถึงเรื่องราวต่างๆคุณออนนี่ครับอา น, นิสงธรรมข้อเมตตาบารมีดี่ ทำให้เป็นหลักประกันว่าจะตายดีลึกๆยังกลัวเจ็บกลัวตายไม่ดีทําให้หนูเกิดกิเลสที่จะเจริญเมตตาบา ร, รมีข้อนี้มากๆขึ้นเหตุที่จะทําให้เกิดการเจริญพัฒนาเมตตามากขึ้นต้องทําอย่างไรบ้างครับด้วยหนึ่งเวลาที่เรามีความโกรธใครเราก็ต้องให้อาภัยเขาไม่จองเวรจองกรรมข้อที่สองเวลาเราทําอะไรก็อย่าไปทําให้คนเด็กเขาเสียหายหเดือดร้อนหรือไม่เบียดเบียนพู้อื่น ข้อที่สามถ้าเราทําอะไรก็อยากไปทําให้เขาเจ็บทางกายหรือเจ็บทางใจข้อที่สี่ถ้าเรามีอะไรที่จะทําให้เขาทำให้เขามีความสุขได้ก็ทําไปเช่นเรามีขนมมามาฝากก็มีอะไรให้เขามีเสื้อผ้าที่เราอาจจะไม่ได้ใช้แต่ยังดีอยู่แล้วก็เราให้เขาไปอย่างนี้ให้ข้าวให้ของไปให้ความช่วยเหลือเขาเวลาที่เขาเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างเมตตาบ้าง มสีสีวิวิธีเอเวลาหุนตุไม่จงเวนจองกรรมกันอมเยลาปัจชาหุนตุไม่เบียดเบียนกันอานิคาหุนตุไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันสุขีอัตนาบริหารันตุให้ความสุขต่อกันนี่คือคุณลักษณะของการแผ่เมตตาแต่ไม่ได้แผ่ด้วยการสวดต้องแผ่ด้วยการกระทำคุณ9 2 8าอครับ หากหัดนั่งสมาธิเองที่บ้านคนเดียวจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาแทรกในขณะที่นั่งสมาธิไหมคะเพราะจิตไม่แข็งพูดตรงๆคือกลัวมีดวงวิญญาณอื่นเข้ามาแทรกหรือทําให้เสียสติครับอ๋อถ้ามันจะมาแทรกมาแทรกได้ตลอดเวลาส่งไม่ใช่เวลาจะนั่งสมาธิอย่างเดียวมันก็าแทรกได้คำเยาว์ว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเรามีสติที่ตั้งมั่นมันแทรกไม่ได้มันจะเข้าตอนที่เราไม่มีสติใช่มากกว่า เป็นตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเวลาเราไม่มีสติถ้าวิญญาณมาแทรกมันก็มาแทรกเข้ามาในฝันมันก็จะเข้ามาในฝันของเราแต่ถ้าเวลาเรามีสมาธิมีสตินี่มันเข้ามาไม่ได้หรอกถ้ามีนะถ้าสัญญามันก็ไม่มีหรอกดวงวิญญาณก็จะมาแทรกเข้ามาวิญญาณเข้ามาในใจของเราทําไมใ น, ในใจของเรามีเงินทองให้เขาเอาไปหรือเปล่าไม่มี้เลยเขาจะมาเอาอะไรจากเราไป มันเป็นเรื่องของความคิดความเชื่อมาตั้งแต่ถูถกภาพสอนมาตั้งแต่เด็กมันจะมีดวงวิญญาณอย่างนั้นอย่างนี้เข้ามาแทรกหรือดูหนังดูละครเนี่ยมันมันมกจะโมเมสร้างเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ถ้าคนดูที่เป็นเรื่องจริงไปก็มีคุณเทพรักษาครับคําว่าโลกธาตุคือโลกของธาตุสี่ใช่ไหมครับธาตุรู้คือวิญญาณที่มายึดเข้ากับธาตุรู้ทําให้เกิดสมมุติ เป็นรูปนามตามมามีความเห็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับจะว่าเป็นธาตุทั้งหกก็ได้นะโลกธาตุร่างกายก็สี่แล้วอาวากาศธาตุก็ห้าแล้วก็จิตที่มาเชื่อมต่อกับร่างกายแต่จิตนี้ไม่ได้อยู่ในโลกธาตุทานอยู่ในโลกทิศแต่ก็มามาเกี่ยวข้ อ, ของกับโลกธาตุคือมาเกี่ยวมามาเชื่อมต่อกับร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ให้ไปทําอะไรต่างๆเป็นรูปเป็นนามขึ้นมารูปก็คือร่างกายนามก็คือใจท่านรู้ผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆคุณดวงพรครับใส่บาตรให้คุณพ่อคุณแม่แล้วอุทิศให้อยากถามว่าบุญถึงไหมเจ้าคะถ้าคุณพ่อกุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นี้ถ้าบาตรเวลาเราใส่บาตรนี้เป็นเงินทองของคุณพ่อคุณแม่เขาก็ได้บุญอยู่แล้วไม่ต้องอุทิศให้คุณพ่อ ถ้าเป็นเงินทของเรานี่เราก็ออกทิ้ให้ท่านไม่ได้เวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่เพราะมันเป็นบุญส่วนน้อยวิธีที่จะทําให้ท่านได้บุญก็ชวนท่านไปทําบุญกับเราท่านถึงจะได้บุญถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าท่านไม่สามารถทําบุญได้แล้วเราถึงจะใช้บุญอุทิศซึ่งเป็นบุญส่วนน้อยที่เราสามารถแ บ, บ่งให้กับคนตายได้แต่ไม่มากเท่ากับการที่จะให้คนคนเป็นทําบุญของ เเกกด้ววตัวขาอง็จะไกกคุณวานิดาครับหากเคยฆ่าสัตว์จะทำบุญอย่างไรและต้องอุิษฐานอย่างไรเพื่อให้บุญถึงสัตว์เหล่านั้นครับก <c oughs> ็ทำบุญใส่บาตรทำบุญทำทานอย่างได้อย่างหน่งแล้วก็ อ, อุทิศบุญไป <c oughs> เพื่อสัตว์เหล่านั้น <c oughs> เขารอรับอยู่เขาก็จะได้ถ้าเขาไม่ได้รอรับเขาก็จะไม่ได้คุณนิ้งครับ ที่บริษัทมีการตั Over ้งศาลพระพรหมไว้ตั้งแต่สร้างโรงงานเกือบยี่สิบปีมาแล้วตอนนี้มีพนักงานอยากให้สร้างศาลเจ้าที่เพิ่มเติมเพราะว่าเห็นผีเห็นอะไรต่างๆนานาพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรในเรื่องการตั้งศาลเจ้าที่หรือศาลอื่นๆเช่นศาลตาศาลยายครับมันการผีไม่ได้หรอกเพราะผีมันอยู่ในใจคนคนคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองนันก็เป็นเรื่องของความเชื่อความงมงายนั่นเอง คุณ9287ครับขณะนั่งสมาธิกําหนดพุทธโธนั้นจิตให้อยู่กับพุทธโธโดยไม่ต้องกําหนดหายใจเข้าพุทท้องพอหายใจออกโธ ท, ท้องยุบใช่ไหมคะภาวนาพุทธโธเฉยๆก็ได้ได้ได้สามวิธีด้วยกันตอนพุทภาวนาพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกเรื่องนมอลไก็ได้เราจะดูนมอย่างเดียวไม่ต้องใช้พุทธโธก็ได้เราจะใช้ทั้งสองอย่างมารวมกันปนกันก็ได้ หายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโทรหรือเวลาท้องยุบก็ว่าพุทท้องพองก็ว่าโทก็ได้อันนี้แล้วแต่เราจะเลือกแช่ไ อ, อันไหนที่มันเหมาะกับจดดิจขอกเราเราก็แช่แบบนั้นไปคุณเปตองครับการแผ่เมตตาทําอย่างไรให้ได้ผลเมื่อกี้เหมือนพระอาจารย์ได้ตอบไปแล้วนะครับแล้วแผ่เมตตาแบบไม่ต้องสวดสบเพสตาได้ไหมครั บ, รบการแผ่เมตตานี้ไม่ใช่ในการสวดเป็นการกระทํา ให้เวลาพบปะกันก็เอาขนมออมาให้กันนี่ก็เป็นการแผ่เมตตาเป็นการแสดงมิตรไมตรีจิตต่อกันเวลาที่เขาทําให้เราโกรธล้วก็ให้อภัยเขาไม่ไม่ไปจองเวรจองกรรไม่อาฆาตพยาบาทเวลาเราทําอะไรก็อย่าไปทำให้เขาเกิดความเดือดร้อนเสียหายหเกิดขึ้นมาเวลาจะจัดงานวันเกิดเราก็อยากไปจ้างวงดนตรีเสียงดังๆมามาเล่นที่ บ้านแล้วในห้องเราแล้วเพื่อนบ้านที่อยู่ในห้องนึงเขาก็นอนไม่หลับอเนี้ยนี่รียกว่าเป็นการเบียดเบียนกันอย่าทำแบบนั้นทำอะไรก็อย่าให้เขาต้องเสียหายหเดือดนอ น, นจากการกระทำของเราคุณอัญญรัตน์ครับการดำเนินชีวิตเราสามารถนำมักแปะมาปรับใช้อย่างไรบ้างค ะ, ะมักแปะก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาแปะนี่ ศีลก็คือการการกระทําที่ถูกต้องก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ปกปิดผิดประเวณีวาจาที่ถูกต้องก็คือไม่พูดปดก็นี่ก็เป็นการเอามัดแ8ดมาใช้แล้วเอาศีลมาใช้ถือศีลห้านี่ก็ถือว่าเรามีมัดแปดนะส่วนสมาธิก็คือเอาฝึกสติไปพยายามทำอะไรก็ให้ใจเราใจเย็นๆอย่าไปรีบร้อนอย่าไปวุ่นว่าฝบริกรรมพุโทโธพุโทโธไป เราก็จะมีสัมมาสติเวลาว่างตอนทักเที่ยงอินข้าวเสร็จก็ น, นั่งสมาธิสักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็จะเราก็จะมีสัมมาสมาธิส่วนปัญญ า, าเราก็พิจารณาอยู่เรื่อยของทุกอย่างที่เราทําอยู่นี้มันเป็นเถ้าชั่วคราวไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีวันหนึ่งก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงให้คิดอย่างนี้ไปเราจะได้ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับอะไรต่างๆเมื่อเราไม่ยึดไม่ติดเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เราจะต้องเลือกกัน ต้องพัดพาดจากกันไปอันนี้ก็ใช้มากแบบในชีวิตประจำวันให้ทําแบบนี้คุณจุก ค, ครับถ้าเราถือศีลห้าแล้วนอนหลับฝันว่าเราดื่มสุราเราผิดศีลไหมครับ เ, ออเวลาฝันนไปทําบาปนี่ไม่ผิดมันเป็นความฝันมันเป็นเรื่องของความคิดปุงแต่งของจิตขึ้นมานนั้เพียงแต่มันจะบอกให้เรารู้ว่าเรายัางไม่สามารถที่จะรักษาศีลข้อนี้ได้ เราลองไปรักษาดูสิเราเราจะรักษาสินข้อห้านี้ได้นานสักเท่าไหร่คุณสิงโตครับกระผมนั่งสมาธิโดยใช้วิธีดูลมหายใจวันก่อนฟังพระอาจารย์บรรยายทำเรื่องของสมาธิวิปัสนาและกรรมฐานผมคิดว่าผมปฏิบัติผิดวิธีคือไปบังคับลมให้สั้นให้ยาวกระผมเลยลองไม่บังคับลมปล่อยให้ร่างกายหายใจเองถ้าไม่หายใจก็ให้ตายไป เราผมลองสังเกตลมที่ปลายจมูกปรากฏว่าร่างกายหายใจเองแต่เบามากเหมือนผมเป็นแค่คนรู้ดูลมทําแล้วรู้สึกสงบดีขึ้นแบบนี้ถูกต้องไหมครับใช้ถูกต้องแล้วเราเป็นผดดู้รู้ผู้ ด, ดูให้ดูไปเฉยๆอยากไปควบคุม บ, บังคับลมมันเพราะมันจะทําให้เราต้องทํางานเมื่อเราทํางานใจเราก็จะไม่ยิ่งล้วก็จะไม่สงบต้องอย่าไปทํางานอย่าไปควบคุม บ, บังคับลม ร่างกายมันหายใจของวันเองได้ด้วยอตอนนอนคุณสวุวรรณีครับช่วงที่กําลังจะตื่นเริ่มรู้สึกตัวก่อนจะลืมตาลูกก็เริ่มจเจริญสติโดยท่องพุโทโธธรรมโมสังโฆจนลุกออกจากที่นอนทําแบบนี้ถือว่าเป็นการจเจริญสติไหมคะเป็นต้องทับต่อไปด้วยไม่ใช่เฉพาะตอนที่ลูอกออกจากที่นอนด้วยเวลาไปทำธุระอะไรต่อก็พุโทโธธรรมโมสังโฆไปเรื่อย จนกว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ความคิดเราค่อยหยุดคุณสมบูรณ์ครับวิธีทำจิตให้ผ่องใสควรทำอย่างไรเจ้าคะก็ทำาให้จิตสงบฝึกสตินั่ง ส, สมาธิหรือฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมก็ทำให้จิตผ่องใสได้คุณเปตองครับประเพณีต่างๆเช่นศาตร์จีนบุญข้าวประดับดินของชาวอีสาน แซนโดนตาของพี่น้องชาวไทยขาเหมนที่ต้องเอาอาหารไปเส้นไหว้คนตายขอถามว่าชาวพุทธควรเลิกทำเลยไหมครับในเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วครับคือเราเราก็ยังควรยังอุทิศบุญให้กับผู้ที่ตายไปคนที่ก็มีต้องคุณกับเราเช่นบิดามารยาปู้ญ า, าตายายแต่เราไม่จาเป็นจะต้องเป็นจัดเป็นประเพณีเป็นงานเข้าใจหมมันเป็นสิ่งที่เราควรจะทาทุกครั้งที่เราทาบุญ เวลาที่เราทําบุญแต่ละครั้งนี่เราก็อุทิศบุญไปได้เลยไม่ต้องมารอประเพณีถึงจะค่อยมาอุทิศกันสักครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเพียงแต่เป็นเขาเรียกอะไร่าเป็นเรื่องของความเชื่อหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของของสังคมที่อยากจะชวนให้เรามาทําบุญพร้อมๆกันสักทีปีนึ่งสักครั้งหนึ่งทําบุญให้กับวีดามานาปุย า, ายายเชื้อเชิญเพื่อนญาติสนิทมิสหายเราร้อมทําบุญกัน ในความเป็นจริงนะควรจะทําต่างคนต่างทําตามตาเวลาที่สะดวกของแต่ละคนจะดีกว่าไม่ต้องมารอให้ถึงเวลามีงานถึงค่อยมาทำกันสักครั้งหนึ่งในคนเราก็แปลว่าเราไม่มีงานก็จะไม่ค่อยชอบทํากันต้องรอให้มีงานก่อนงานศมบ้างงานบวชงานอะไรบ้างถึงจะมาทํำมือกันถ้าไม่มีงานก็ไม่ทํา พระอาารครับอย่างเราทําบุญตอนเช้าอย่างเงี้ยครับแล้วเราลืมอุทิศบุญแล้วเรามาอุทิศบุญตอนเย็นอย่างนี้อย่างนี้บุญยังอยู่อุทิศได้เท่าเดิมไหมก็ยังอยู่เป็นแต่ว่าความรู้สึกมันอาจจะไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่าความรู้สึกอิ่มเอิบใจตอนที่เราทําใหม่ๆนี่มันมันอาหารสดถ้ามาทําตอนตอนที่มันมันเลยเวลาเป็นหน้าอ่ารมันก็เย็นจุดชืดไปแต่มันก็ยังเป็นอาหารอยู่ครับก็ยังเป็นบุญอยู่ แต่มันไม่มันไม่สดชื่นเหมือนตอนที่เราทําใหม่ๆนะทําใหม่ๆรู้สึกอิ่มใจสุขใจแต่ถ้าไม่รีบบูธิตอนนั้นเดี๋ยวเราไปทํทาเุระเดี๋ยวไปเกี่ยวข้องกับงานนั่งงานนี้ก็ดหัวเสียขึ้นมาเกิดอารมเสียขึ้นมามันก็จะมาทำให้อาหารที่เราอร่อยอรอยนี่มีมีลดบูดไปได้ผสมเข้าไปด้วยแล้วมันก็ยังเป็นอาหารอยู่เป็นบุญอยู่ งั้นควรจะอุทิศทันทีนดีกว่าเมื่อเราทําเป็นใส่ปั๊บเราก็อุทิศได้เลยนะมันเราไม่ต้องทําอะไรเพียงใดตั้งสติระลึกน้อมจิตขเข้ามาว่าขอทิศบุญส่วนนี้ที่ได้ทําในขณะนี้ให้กับผู้ที่โล่งรับไปแล้วจะชื่ออะไรก็ว่าไป ก, ก็จบแล้วก็เสร็จนะคุณมาลีครับถ้าพระที่เราใส่บาตรแล้วทราบข่าวว่าท่านฉันเข้าเย็นกันเกือบทั้งวัด ทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากใส่บาตรพระเราควรจะใส่ต่อหรือว่าหยุดใส่หรือว่าใส่เฉพาะวัดวัดเป็นวัดวัดดีค่ะก็เลือกวัดอ่ะเลือกวัดที่เป็นวัดดีพระนี่มีทั้งพระดีพระไม่ดีปนเปกันไปเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรปลาเน่าตัวเดียวในเข่งก็อย่าโยนโยนปลาเน่าปลาทั้งเข่งทิ้งไปก็เลือกเอาปลาที่เน่าทิ้งไปเหมือนปลาดีเราก็เก็บไว้กินได้ พระก็มีคนไปกันไปละสมัยนี้มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีปลดไปกันไปถ้าเรารู้ว่าท่านไม่ดีเราก็อย่าไปทําบุญกับท่านแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ถือว่าให้เครดิตท่านไห้ก่อนก็แล้วกันเพราะเราไม่สามารถที่จะไปตรวจประวัติพระทุกรูปที่เราจะไปทําบุญได้ว่าท่านดีและไม่ดีก็ทําไปด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ของเราเราก็จะได้บุญของเราเต็มที่ไม่ต้องกังวลถึงแม้ท่านจะไม่ดีเรามาทราบภายในภายหลังมันก็ไม่ได้ทํำลายทําลายบุญที่เราได้ทําไปไป แต่ว่าเราที่เราไม่อยากจะทําบุญกับคนไม่ดีพระไม่ดีเพราะเราไม่อยากจะส่งเสริมให้เขาไปทไําในสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองท่านั้นเองแต่บุญที่เราทํานี้ไม่ว่าเราจะทํากับคนดีไม่ดีเราก็ได้บุญเช่นเดียวกันคุณดัครับคุณพ่อเสียไปเมื่อปีที่แล้วแต่ตนเองไม่ได้หน้าที่ลูกที่ดีคิดพูดทําหลายอย่างที่ไม่ดีต่อคุณพ่อในช่วงที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ จะทำอย่างไรครับพอะรู้สึกผิดต่อคุณพ่อทุกครั้งที่นึกถึงครับก็ทำความเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะทำอีกต่อไปเั่งนั้นเองเพราะเราไม่สามารถที่จะไปทำะายกับคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วได้ก็ต้องมาทำความเข้าใจกับตัวเราว่เป็นการผิดพลาดที่เราควรที่จะไม่ทำอเกถ้าครั้งต่อไปถ้าเราไปมีพ่อคนใหม่เราก็ควรที่จะหักห้าม อารมณ์ด้วยการกระทําที่ไม่ดีต่อพ่อของเราครับคุณปูเป้ครับถ้าเราปฏิบัติสมาธิเองจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้ปฏิบัติถึงชา้นสี่หรืออัปปนาสมาธิแล้วครับอ๋อชาน้ชานขั้นต่างๆหนึ่งงสามสี่นี้ถ้าเราไม่ได้อ่านหนังสือเราก็จะไม่รู้แตถ้าเราอ่านเราก็จะรู้ว่าตอนนี้จะจิตเราอยู่ในขั้นไหนแล้วมีอะไรบ้าง มีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขมีอะไรมันก็จะมีคุณสมบัติของฌานแต่ละขั้นแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรขอให้เราสงบมีความสงบมีความสุขถ้าเราเข้าถึงฌานขั้นที่สี่ได้ก็พอขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สานี้เป็นเหมือนเป็นการเป็นทางผ่านเยอะมากกว่าส่วนที่เราต้องการก็คือขั้นที่สี่ก็จิตสงบนิ่งเป็นอัปปนา ก็คือมีอุเบกขามีความสุขมากมความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนคุณเดฟครับการนั่งสมาธิอยู่กับห้องเราสามารถถอดเสื้อนั่งได้หรือเปล่าครับคือว่าที่ห้องอาจจะร้อนครับถ้าเราเร่อ่นของเราคนเดียวไม่มีเกี่ยวข้องกับใครมันก็ทำได้จะไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้เนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายนการนั่งสมาธิเรื่องของจิตใจเรื่องนัน แต่ถ้ามันจะให้เรามีความสุภาพเรียบร้อยล้วก็ต้องใส่เสื้อผ้าท่านอีกเพื่อเวลาคนคนอื่นก็เดินผ่านมาเห็นเท่าก็จะได้ไม่ตกใจว่านี่เป็นชีปเปื่อยหรือเปล่า <c oughs> คุณนานาครับเราสามารถจะพิจารณาขันห้าและเข้าใจกฎไตรลักษณ์แม้ว่าเราจะยังทําสมาธิไม่เก่งได้ไหมคะและจะได้จะรู้ได้อย่างไรว่าการพิจารณาเข้าใจของขันห้านี้มันถูกทาง คือหนูทำสมาธิยังไม่นิ่งค่ะฟุ้งซ่านตลอดรู้ว่าฟุ้งซ่านแต่ก็พอเข้าใจและปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปได้มากขึ้นครับก็ตามที่ผู้เจ้าสอนให้เราทําทุกวันก็คือให้เราพิจารณาว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อันนี้ก็พิจารณาตายรักตายขันห้าแล้วถ้าเราสามารถปล่อยวางได้เราก็แสดงว่าเราก็ผ่านได้ คือถ้าเรายอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนนี่แสดงว่าเราก็ผ่านนะเราก็ได้ปัญญาแล้วเราไม่ฟุ้งซ่านเวลาร่างกายเจ็บคายได้ปวดเราก็เฉยได้เวลาร่างกายจะตายเราก็เฉยได้ถ้าเราทำนี้ได้ก็ก็ถือว่าเราได้มีปัญญาแล้วเราได้ปล่อยวางขันห้าได้แล้ว คุณแต้มสีครับมีคนบอกว่าการทําบุญทําทานบ่อยจะช่วยลดกรรมเก่าด้านการเงินของคนนั้นเช่นชาติที่แล้วอาจจะเคยไปเบียดเบียนคนอื่นเรื่องเงินยืมเงินโกงเงินบางคนเก็บเงินไม่ได้เลยมีเรื่องให้จ่ายตลอดก็จะเก็บเงินได้มากขึ้นพระอาจารย์ว่ามีเป็นความจริงไหมครับคือกรรมเก่านี่เราไปแก้ไม่ได้รที่เราทําบุญนี้ก็สร้างสร้างกรรมใหม่ที่ดีที่ต่อไปข้างหน้าเราก็จะมีเงินมีทอง ไ ม, ม่ใครจะมายืงเงินโกงเงินเราคุณสุดารัตน์ครับขอกลับเรียนถามหลังนั่งสมาธิภาวนาเสร็จเราอุทิศบุญกุศลที่เราทํามาให้กับบิดามารดาญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรถูกต้องไหมครับคือเรื่องการอุทิศบุญนี่มันเป็นเรื่องที่เราโมเมกันขึ้นมาตามที่พระเจ้าสอนท่านให้เราอุทิศบุญด้วยการทําบุญทําทาน ไม่ได้ให้นำมาสอนทิฏบุนด้วยการนั่งภาวนาอะไรทำนองนี้อันนี้เป็นจะทําหรือไม่จะทําได้หรือไม่ก็ทําได้อยากจะทําก็ได้แต่จะมีมีผลหรือไม่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะหนึ่งการภาวนาของเราการปฏิบัติของเรามันได้ผลหรือยังอันนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายการจะได้ผลของสมาธินี้บางคนปฏิบัติการทั้งชาติยังไม่จิตยังไม่สงบเลยลเราจะาบุญที่ไหนไปบุที่ไทย แต่การทําบุญทําทานนี่มันเกิดผลขึ้นมาทันทีบุกเกิดบุญขึ้นมาทันทีงั้นถ้าอยากจะอุทิศบุญขอให้เราเน้นไปที่การทําบุญทําทานส่วนการนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ไรฟังเทศน์ฟังธรรมนี่เราไม่นิยมที่จะมาอุทิศบุญอยากการกระทําเหล่ายนึงก่นอยาจะทํำก็ไม่มีใครว่าเลยไม่มีใครหารแอยาจะมีผลหรือไม่อันน้นก็ไม่มีใครรู้แต่คิดว่าไม่มีผลมากกว่า เพราะเรายัางไม่ได้ผลนะแม้แต่ผ้าหนา น, <อ>นยังขออภยัยทพุทต่อเนี้ยแม้แต่ผ้านั้นอย่างตาท่านก็ยังทําบุญทำทานอุทิศให้กับแม่ของท่านที่ตายไปบิดามารดาของท่านท่านก็ไม่ได้อาศัยการบรรดาหลานของท่านไปอุทิศบุญให้กับคนนั่นคนนี้เป็นเป็นอาณรหารนี้อุทิศธรรมะได้สอนธรรมะให้กับคนที่ไม่มีธรรมะได้ กนังบุญนี้ต้องใช้การทำบุญทำทานเพื่ออุทิศไปขอโทษขออภาอยเลยคุณวิรันตพั์ครับมีความคิดเศร้าเข้ามาตลอดบางครั้งตัดใจได้จะทำอย่างไรให้ความทุกนี้มันหมดไปครับใช้คาบริกรรมพุทโธทุกครั้งที่คิดถึงความเศร้าก็ดื่มมันด้วยการท่าพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปจนกว่ามันจะหยุด ทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วก็สวดไปบริกรรมพุโทโธไปต่อไปมันก็ยังไม่โผล่ขึ้นมาคุณเมตตาครับดูแลป้าที่อายุมากแล้วและกําลังป่วยแต่ยังทําใจอุเบกขาไม่ได้ยังมีความกลัวความทุกข์ใจกับสิ่งที่เห็นต้องฝึกอย่างไรให้ใจเราเบาลงครับก็ต้องฝึกําสมาธินะเราไม่มีอุเบกขาต้องเจริญสตินั่งสมาธิให้มากๆแล้วจิตเราจะสงบ ขึ้้นมาาววก็ ย, ยงไดคุณนกยุงครับหากเรารู้ว่าเพื่อนที่เราร่วมงานด้วยทุจริตต่อหน้าที่การปฏิบัติงานแล้วเราไม่ได้บอกกล่าวทักท้วงในการกระทําของเขาทําให้ตัวเราเองรู้สึกผิดที่ไม่กล้าทักท้วงตัวเราจะคิดจะผิดศีลหรือเปล่าครับพระอาจารย์ไม่หรอกการทําผิดศีลของผู้อื่นไม่ได้ทําให้เราไปผิดศีลตามเขาด้วย การจะทักท้วงหรือไม่หรอบอกเดินเขาหรือไม่เราต้องดูว่าเราอยู่ในฐานะที่ทําได้หรือเปล่าเขายินดีที่รับฟังคําคําชักท้วงของเราหรือเปล่าหรือเรามีหน้าที่ในมีหน้าที่ต้องทักท้วงเขาหรือเปล่าอันนี้ต้องดูเมีสถานะภาพของเราด้วยแต่การทําบาป ข, ข, ข, ของเขาทําผิดก่อชงเขานี่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเราไม่ได้ทำให้เราผิดไปด้วยครับคุณมินนิ่งครับ เมื่อที่ที่ผ่านมาลูกขับรถและเห็นคนที่เป็นโรคเท้าแสนปมปั่นจั ก, กรยานผ่านลูกไปข้างหน้าในขณะนั้นรถติดจึงเห็นเขาอย่างชัดเจนรู้สึกกลัวเนื่องจากรถติดนานจึงพิจารณามองผิวหนังของเขาและมองทะลุไปเห็นกระดูกจึงหมดความรู้สึกกลัวเพราะมีกระดูกเหมือนกับเราไม่เที่ยงเหมือนกับเราคิดแบบนี้ถูกไหมครับาอาจารย์ครับถูกต้องถ้าเราลดความกลั ว, วได้ด้วยการมองส่วนหนึ่งของร่างกาย มันก็จะทําให้เราเห็นว่าเขาเราก็มีส่วนที่ไม่สวยงามเยอะแยะอยู่ในตัวของเราเหมือนกันเพียแต่เรามองไม่เห็นนั่นเองโอ้นี้เหลือคําถามเพียบเลครับอาจารย์เดี๋ยวขอคําถามสุดท้ายจากพระครับพระอาจารย์ครับมีพระอาจารย์มาสมชาติถามบอกว่าเป็นเจ้าวัดครับกิจกรรมงานวัดงานคณะสงฆ์เยอะแยะมากมายพระอาจารย์ครับเราจะมีวิธีที่ใช้ชีวิตได้สงบสุขอย่างไรครับ พอเราออกจากตําแหน่งเลยอยู่แบบเราเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าวาดเนี่ยเหมือมากับห้าสิบปีแล้วยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดเลยยังเป็นลูกวัดอยู่แต <c oughs> ่สบายไม่มีไม่มีเรื่องมีเราเพราะถ้าเป็นเจ้าวาดนี่ใครที่จะมาติดต่อที่วัดนี้ต้องเข้าหาเจ้าวาดตลอดทุกเรื่องเลนี่ไม่มีใครมาหาเราเลย <c oughs> นอกจากมาฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียว เดี๋ยวผมจะเก็บคําถามเอาไว้เผื่อครั้งหน้าครับอาจารย์ครับยวันนี้ขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีคนฟังธรรมเนื่องจากวันนี้มีวอลเล่บอลไทยแข่งกับโคลัมเบียครับอาจารย์คนฟังธรรมในเฟซบุ๊กหกร้อยเจ็สิบเจดคนครับในยูทูบห้าร้อยสีสิบเ็ดคนในคลาสเฮาสก้าคนครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่พันสองร้อยยสิบเจ็ดคนครับอาจารย์ครับก็ไม่น้อยเลงถือว่าปานกลางเลยนะ พอดีมีการมาฉันท่าเข้ามาเป็นเป็นยีวอร <c oughs> การจะทำใจให้สงบก็เลยทำไม่ได้เพราะมันติดติดพันกับเรื่องเรื่องเรื่องการดูการเรื่องกีฬาอะไรต่างๆนี้ <c oughs> ก็เป็นเรื่องธรรมดาของจิตใจของของผู้ที่ยังไม่ได้อ่าเข้าถึงสมาธิพอมีอะไรที่น่าสนใจก็เลยก็เลยไปตามรากระแสก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็แล้วแต่ ก็สำหรับท่านที่เข้ามาก็ขอแสดงความยินดีกับความความยินดีในธรรมของท่านะหวังว่าการได้ฟังธรรมนี้จะได้เป็นประโยชน์และช่วยให้ท่านได้ปฏิบัติเก้าหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปการแสดงธรรมการสนัการสนทนาธรรมกันสําหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอา ก็ค <spe ek> <navigation> ิดว่าพอสมควรแก่เวลาที่จะต้องรอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและคุณหมอไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีอะไรขัดข้อก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเช่นเช่นเดิมเวลาเดิมขอเจริญพรกับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ